พระธรรมเทศนาของท่านหลวงตาหน้าศักดิ์สธินู่อยู่ตอบูรณากาเพื่อความ้นถุกเนี่ยสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันต้องรวมเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาที่เราเนี่ยสติมันไม่มีที่จะควบคุมไว้ให้จิตเนี่ยมันอยู่กับการฟังให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายปัญญาที่มันจะไขเข้าไปให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้รู้แจ้ง มันก็ขายไม่ได้เพราะว่าเกลียวมันหวานเราแอบดูเห็นผู้ท่านมีแต่ตัวใจไม่อยู่มีแต่ตัวใจไม่อยู่เสียงเข้าหูไปอย่างนั้นแหละแต่ใจไม่ได้ฟังเมื่อใจไม่ได้ฟังสติมันก็ไม่อยู่สมัยใจมันไม่อยู่ฟังเพราะว่าสติมันไม่ได้ควบคุมเอาไว้มันไม่มีสติเมื่อมีมีสติใจมันก็เลยไม่อยู่ใจลอยสติก็ไม่คืนมาที ใยลอยไปสติก็ไม่คืนมาสติเมื่อเพลเพลลอยลอยเราดูมันจะกลับมาไม่กลับมาไม่กลับมาเม่อเพลเพลอลอยลอยไม่กลับมาไม่กลับมาเหตุที่ไม่กลับมาเพราะสติมันไม่คืนตัว เมื่อสติไม่คืนตัวปัญญามันก็ไม่มีเพราะว่าปัญญามันจะไขทําเขาก็ใจมันก็ไม่รู้แจ้งได้นี่ไงไอสติสมาธิปัญญามันก็อริยมรรคในเนี่ยอริยมรรคมันไม่มีกับบรรทุกไม่ได้เพราะว่าอริยมรรคมันไม่มีบรรทุกมันก็บรรทุกไม่ได้สติหายสมาธิหายปัญญาหายทำหายสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทำขาดนี่นน สติ BigQuery, อยายมันหายสติมันต้องรักษาไว้สติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยให้มันมีความรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบ <to ันอย่าให้มันหายไปสติความรู้สึกตัวในปัจจุบันอยู่ให้ความมีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เน่ะให้ใจมันอยู่กับสิ่งที่เราก็ทําในปัจจุบันตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่ตัวฟังธรรมใจฟังธรรมมันต้องฝึกจนเป็นนิสัยใหม่ ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่นี่ใจก็มาอยู่นี่ตัวฟังธรรมใจก็ฟังธรรมมันต้องอยู่ด้วยกันฝึกหัดอย่างเนี้ยตลอดเวลาอันนี้มันเป็นขั้นเบสิกมากเลยถ้าไม่มีสิ่งนี้แล้วมันไปไม่ได้หรอกยางไงไปไม่ได้เพราะว่าตัวกับใจมันไม่อยู่เดียกันอริยมรรคแปดมันไม่เกิดมันไม่มรรคมันไม่เดิน่ะสติสมาธิปัญญามันไม่เดินมรรคมันไม่รวมกันเป็นองค์หนึ่งรวมกัน สติสมาธิปัญญามันไม่รวมกันมันก็จักระจายพ่อแม่ครูบาอาจารย์จนว่าสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดเนี่ยนั market market wow. ้นสติขาดสมาธิมันก็เลยขาดปัญญาขาดทำก็เลยขาดด้วยก็เลยเป็นทุกข์ที่เราเป็นทุกข์ก็เพราะว่าสติเป็นขาดเนี่ยสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทำขาดก็เป็นทุกข์สติหาย สมาธิหายปัญญาหายธรรมก็หายใจก็เป็นทุกข์ปฏิมีก็ทําให้สมาธิมีปัญญามีธรรมมีใจก็เบาบางจากทุกข์สติเป็นมหาสติมีความต่อเนื่องอยู่ทุกขณะปัจจุบันตัวอยู่ไหนจะอยู่น้านทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่นี่จะอยู่นี่ตัวมาฟังทำใจก็มาฟังทำถ้ามันอยู่ได้กันอย่างเนี้ย ใจเนี่ยมันอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทําอะไรอยู่ในทุกขณะปัจจุบันน่ะใจมันจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตัวเองทําอะไรในทุกขณะปัจจุบันมันก็ประสบผลสําเร็จจึงเรียกว่าสตินี้สมาธิก็มีปัญญาก็เลยมีทำก็มีทุกตรงกันน้อยลงถ้าสติเป็นมหาสติคือมีความต่อเนื่อง คือตัวกับใจเนี่ยมันอยู่ด้วยกันอย่างต่อเนื่องตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่นี่ใจก็มาอยู่นี่ตัวฟังธรรมใจก็ฟังธรรมมันอยู่กันย่ยกันอย่างเป็นอัตโนมัติเขาเรียกว่ามหาสติก็จะเป็นมหาสมาธิมหาปัญญาเป็นพันิพานพ้นจากทุกความพ้นทุกก็ต้องนี่เนี่ยให้มีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันว่าตัวกําลังทําอะไรอยู่ใจก็ต้องทําอยู่กับสิ่งนั้น ให้ตัวกับใจน่ยมันอยู่ด้วยกันจนกระทั่งฝึกไปขั้นสูงสุดไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าตัวไม่ว่ากายจะทําอะไรใจก็พิจารณาอยู่ในกรรมฐานในขั้นกรรมฐานของตัวเองได้ตลอดเวลาไม่ว่ากายจะทําอะไรก็ทํางานไม่ผิดพลาดไม่ว่ากายจะทําอะไรก็ทํางานไม่ผิดพลาดส่วนใจก็พิจารณาอยู่ในขั้นกรรมฐานของตัวเองว่ากรรมฐานของใครของมันได้อยู่ในขั้นไหน อยู่ในขั้นฝึกสมาธิสมถะเบื้องต้นหรืออยู่ในขั้นของการฝึกสติอยู่ในขั้นของปัญญาขั้นสูงสุดหรือปัญญาขั้นที่จดจ่อทําความรู้ความเข้าใจหรือปัญญาขั้นสูงสุดในขั้นปล่ยวางกรรมฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าในขั้นของกรรมฐานของใครของมันที่ตัวเองเนี่ยกําลังเข้าใจสูงสุดในขั้นไหนมันก็กับติดหรือจดจ่ออยู่ในกรรมฐานในขั้นของตัวเอง ไม่ปล่อยทิ้งขาดไปเมื่อไม่ปล่อยทิ้งขาดไปมันก็ไม่ไหลเลื่อนลงมามันก็ไม่ไหลเลื่อนเพราะว่ามันกัดติดจุดจออยู่ทั้งวันทั้งคืนกี่วันกี่คืนก็กับติดอยู่ในกรรมฐานในขั้นของตัวเองเมื่อกรรมฐานในขั้นของตัวเองมันก็เลยกลายสมาธิ <c oughs> เป็นเครื่องอยู่ของใจไปในขั้นกรรมฐานของตัวเองไปมันก็ไม่ต้องย้อนลงมาอีกพอเป็นในกรรมฐานขั้นสูงสุดแล้วก็กลับมาย้อนขั้นสมถาขั้น ถอยลงมาตั้งแต่ขั้นมหนหนัหนอนหอนอถอยลงมาตั้งแต่ขนพุโทโธพุธโทโธถอยมาตั้งแต่ขั้นมันรู้ลมหายใจก็ออกถอยลงมาตั้งแต่ขั้นจะเบื้องต้นเลยมาฝึกสติไปใหม่รู้ต่อทานันคือมันถอยลงมายาวมากเลยเพราะว่ามันทิ้งปัญญาขั้นสูงสุดไปเมื่อตัวเองเนี่ะกัดติดอยู่ในขั้นที่มันจะรู้แจ้งตรงนี้แล้วเนี่ยกับติดอยู่ตรงรู้แจง้งก็อาศัายเป็นเครื่องอยู่ของใจไม่ให้มันหลุดเลยจุดจอ่อมันก็จะไม่ถอยลงไม่ถอยลงมา ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์กล่าวว่าการปฏิบัติธรรมมันเหมือนขึ้นต้นตาลหรือต้นมอาพราวมันไม่มีที่พักมันจะต้องไปถึงสุดยอดถ้ามันตัวเองอะขึ้นมาถึงขั้นไหนในกรรมฐานของตัวเองคือต้นมะพาวหรือต้นตาลมาถึงขั้นไหนอะถ้ามันไม่มีแลจะขึ้นต่อไปก็ต้องกอดขั้นนั้นไว้ให้มันแน่นมันก็จะไม่ไหลตกลงมา ถ้าเรากอนในขั้นอเราทิ้งกรรมฐานในขั้นของตัวเองไปแล้วไม่กอดมันไว้แน่นคือไม่จดจ่อกับมันเนี่ะเดี๋ยวไม่กัดติดกับมันทั้งวันทั้งคืนะต้นตาต้นอพารเนี่ยมันไม่มีกิ่งพักมันก็ไหลลงมาถึงโคนเนี่ยเนี่มันก็เข้าไปสู่กิเลสมันก็ไปสู่กิเลสและความทุกข์มันก็มาเริ่มต้นปฏิบัติธรรมนับหนึ่งกันใหม่วนไปวนมาเรื่อยไปอย่างนี้มันก็เนิ่นช้าไม่รู้ว่ากี่ปีไม่รู้ว่ากี่ชาติอย่างนี้ก็เสียเวลาเปล่า ถ้าทันว่าถ้ไปไม่ไหวขึ้นต่อไปไม่ไหวพัฒนากรรมฐานขั้นต่อไปไม่ไหวก็ต้องก่อต้นมันให้แน่นก่อต้นมะพ้าต้นตาลให้มันแน่นอย่าปล่อยให้มันไหลลงพอได้กำลังแล้วก็ปีนขึ้นต่อไปอีกพอได้กำลังแล้วก็ปีนขึ้นต่อไปไม่ไหวอีกก็กอดมันให้แน่นอย่าปล่อยมันไหลลงถ้าเราปล่อยอะไรล่ะปล่อยสติไงถ้าปล่อยสติมันไหลมันก็ไหลลงถึงโคนนั่นแหละสติมันปล่อยไม่ได้ สำคัญที่สุดคือสติสติคือความรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันว่าตัวกํลาลังทําอะไรอยู่ใจก็ต้องอยู่กับสิ่งที่ตัวเองกํลาลังทำนี่เรียกว่าสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันต้องมีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาทา่านพิธุนังพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกจะได้ยินคนํานี้อยู่แทบเกิดทุกตอนในตอนที่ท่านตรัสรู้พระองค์ตรัสรู้แล้วต้องมีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบัน ต้องเป็นที่พึ่งแก่ตัวเองอย่าเอาใจของตัวเองไปพึ่งไว้กับที่อื่นไปฝากไว้กับคนอื่นเพราะคนอื่นเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่มั่นคงต้องเป็นที่พึ่งให้กับ ต, ตัวเองก็คือสตินี่เนี่ยต้องมีให้มีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันตัวอยู่ไหนจะอยู่นั่นทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่นี่จะอยู่นี่ตัวมาฟังทำใจก็ฟังทำก็เปิดธรรมะให้ฟัง บางทีตัวก็ไม่มาใจก็ไม่มาฟังก็ไปคุยกันไปอะไรก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อยบางทีตัวฟังทำอยู่ก็บอกว่าฟังอยู่ข้างนอกตัวฟังอยู่แต่ใจไม่อยู่แม้แต่ตัวอยู่ในเนี้ออยู่แต่หน้าเครื่องนี่เลยแล้วก็เห็นแล้วว่าอยู่แต่ตัวแต่ใจไม่อยู่เมื่อใจไม่อยู่มันก็มันก็มันก็ขาดอริยมรรคแล้วเพราะตัวกับใจมันไม่อยู่ในการสมาธิก็ไม่เกิดเพราะสติขาดสมาธิก็ขาดปัญญาก็ขาดอริยมรรคมันก็ไม่เดิน มักมีองค์แปดมันคือสติสมาธิปัญญาที่รวมเป็นหนึ่งนี่เนี่ยมันไม่ใช่ทีละข้อทีละข้อหรอกมันรวมมันเลยรวมไม่ได้ที่เขาเรียกว่ามักสมังคีหรือมักสามัคคีนี่เนี่ยก็คือสติสมาธิปัญญามันรวมเป็นหนึ่งมันฟาดฟันกิเลสก็คือจิตที่มันหลุดออกไปหายกิเลสและความทุกข์มาใส่ตัวสติปัญญามันรวมกันเป็นหนึ่งมีสติอยู่มันก็รู้ตัวว่ามันหลุดออกไปแล้วมันต้องฝึก ถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยมันไม่ีทางแหละจะปล่อยยะถากรรมมันไม่มีทางหรอกเอตายแล้วมันก็ไปอบายไปอบายเสร็จเกิดมามันก็กลายเป็นเด็กตั้งแต่เป็นเด็กมามันก็เลื่อนลอยซื่อบื้อไปเลยเนี่ยลงไปทุกชาติทุกชาติเพราะว่ามันไม่ได้ฝึกมันก็มีแต่ต่ําลงไปมันไม่มีสูงขึ้นได้หรอกเพราะไม่ได้ฝึกมันก็มีแต่ถอยหลังลงไปถอยหลังลงไปถอยหลังลงไปนั่นแหละเพราะว่ากิเลสตัณหาและความทุกข์มันไม่ต้องฝึก กิเลสตัณหาท่านเปรียบเหมือนกิ่งหินลงจากภูเขากิเลสตัณหาและความทุกข์ความเสื่อมเนี่ยมันเหมือนกิ่งหินลงจากเขาแต่ความสุขความสําเร็จความเจริญนี่มันต้องฝืนมันทุกอย่างพระพุทธองค์ได้ตัดว่าอย่าไปแตะหรืออย่าเดินทางในทางแห่งความเสื่อมให้เดินทางในทางแห่งความเจริญ ทางแห่งความเสื่อมคืออะไรที่พระ อ, องค์ตัดพระพุทธเจ้าตัดไว้หนึ่งไม่มีสองไม่ว่าจะตัดอะไรหนึ่งไม่มีสองไม่มีผิดพลาดถ้าบอกว่าห้ามก็คือเด็ดขาดเลยถ้าบอกว่าให้ทําให้มากก็ทําให้มากแล้วจะเจริญเองถ้าห้ามอย่าไปแตะแห่งความแห่งความเสื่อมถ้าไปแตะมันก็เสื่อมจริงๆ่งทางแห่งความเสื่อมคืออะไรกินมากนอนมาก พูดมากคุกขีหมู่คนะใจหมกมุ่นแต่เรื่องโรโลกหมกมุ่นแต่เรื่องการงานเรื่องแต่เรื่องโรโลกมีความเพียร น, น้อยไม่มีหรือริอัตปาความลายแก่ใจเกรงกลัวตบาบแอบคิดแอบพูดแอบกระทำใน ท, ท, ที่เงีับและที่แจง้งนี่เนะยคือทางแห่งความเสือ่อม ผู้ใดลงไปแตกทางแห่งความเสื่อมนี้หรือเดินในทางแห่งความเสื่อมนี้ย่อมตกไปสู่ความเสื่อมแน่นอนพุทธองค์ได้ตัดไว้หนึ่งไม่มีสองถ้าเราไปเดินทางในความเสื่อมก็ย่อมตกไปสู่ความเสื่อมทางแห่งความเจริญก็ตรงข้ามแค่ทางแห่งความเสื่อมนั่นเองทางแห่งความเจริญก็คือกินน้อยนอนน้อยพูดน้อย ไม่คุกคีหมูค่คนณะสำรวมอินทรีตาหูจมูกลิ้นกายใจจะปล่อยให้กิเลสมันและความทุกข์ความไม่สบายใจความขับแค้นใจความลุ่มร้อนมันปลเผาใจมันเข้ามาเผาใจเราได้ให้สำรวมอินรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอเพียรอะไรละ่ะก็เพียรมีสติเนี่ยมีความรู้สึกตัวอยู่มีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบัน ว่าตัวกําลังทําอะไรอยู่ใจกําลังทําอะไรอยู่หรือพัฒนาขั้นสูงสุดไปไม่ว่ากายจะทําอะไรก็ทํำแม่งผิดพลาดใจก็พัฒนาอยู่ในกัดติดหยุดจออยู่ในกรรมฐานของตัวเองไม่เคยหลุดเลยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมีความเพียรอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายมีฮิริอุดตปากละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปบาปกรรม ใ, ใดๆที่กระทามาแล้วทั้งกายวาจาใจ ว่าจะมาได้ฟังทำในวันนี้ได้ทำมาแล้วในชาตินี้และทำมาแล้วทุกภพทุกชาติให้สานึกเสียใจว่าได้ทำผิดไปแล้วผิดพลาดทั้งไปแล้วนับแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่กระทำบาปกรรมชั่วทางกายวาจาใจอีกสิ่งที่ได้ทำไปแล้วขอโทษขอขามาขอโทษต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ู้รินามบรดาลกูบอาจารย์และผู้ที่เรา่วมเกินเจ้ากรรในเวรกรรม ขอโทษจากใจจริงจริ ง, รงสมนึกผิดจากใจจริงๆนับแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่กระทำบาปกรรมชั่วทางกายวาจาใจอีกผู้ใดสมนึกกิดอยู่เรื่อยๆอย่างเนี้ยเมื่อพลาดพั้งไปทําผิดเล็ก ๆ, ๆน้อยๆต่ำลงไปอีกเราก็ค่อยๆสมนึกผิดทุกครั้งไปขอโทษขอโทษจริงๆจากใจของเราจนกระทั่ง บาปกรรมทั้งหลายมันไม่อยู่ไม่เข้ามาอยู่ในจิตใต้สำนึกเราอีกเลยมันหายไปจากใจของเราพ้นไปจากใจของเราแล้วนั่นแ น, น, น, น่ที่จะพ้นบาปกรรมไปได้ท้ามันยังเก็บมาฝันยังเก็บมาคิดถึงยังอยู่ๆวันดีคือดีลืมๆืมไปแล้วมันก็กลับมาได้นั่นมันยังไม่ได้พ้นหรอกมันเพียงไปเก็บใส่ดินชักเอาไว้เฉยมันก็ตามไปไหนมตามไปที่ไหนล่ะก็ตามไปในใจของเรานี่ไหะ พะตัวมันตายแต่ใจมันไม่ตายมันก็ตามปฏิจัยของเราเนี่ยเมื่อใจของเราอยู่ๆมันก็นึกถึงขึ้นมาได้อยู่ๆมันก็ฝันขึ้นมาได้ถึงสิ่งนั้นนั่นแหละมันไม่ได้พ้นไปหรอกเราก็ต้องสำนึกผิดถึงโทษบาปกรรมนั้นขอขมาขอโทษบาปกรรมชั่วล้างไปหมดสิน้นจากใจบาปกรรมใหม่ไม่ทำ ผลจิตใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาในทางแห่งความเจริญละเว้นทางแห่งความเสื่อมส่วนจะปฏิบัติจะวังไงก็คำสอนก็สอนมาสั้งหลายวันแล้วสีก็เบิดทึกไปก็แล้วก็ี่ก็เปิดในฟังก็เยอะแยะเราก็ไปฟังเข้ามีกูบาท่านช่วยตัดต่อส่งขึ้น YouTube ก็มีแล้วก็ไปเปิดฟังใคร YouTube นี่เราก็ไม่เข้าใจมันเป็นยังไงมันสามารถเข้าไปใน u t u b e แล้วก็ไปคลิกเปิดได้เลยใช่ อ น, นี่ท่านหลวงพี่วิชาณท่นนานทำเป็นคนทําแล้วก็ช่วยกันทําเนี่ยครอบครัวของยมนาลินเช่วยกันตัดต่อทางด็อกเตอร์ก็ช่วยกันหลายคนในทีมงานตอนนี้ดีมากเลยช่วยกันไม่มาฟังทีนี้แล้วก็ทําให้มีสติควบกินควบคุมจิตให้มันมีสมาธิอยู่การฟังให้มันต่อเนื่องจดจ่อต่อเนื่องอยู่การฟังไม่ขาดสายทํำความเข้าใจตามไป น้อมทำความเข้าใจตามไปให้ปัญญาะมาเดินตามไปน้อมทําความเข้าใจตามไปให้มันต่อเนื่องไม่ขาดสายว่าก็สอนอะไรก็พูดว่าอะไรแล้วให้พิจนารณาอะไรพิจารณายอย่างไรเราก็น้อมไปก็พูดมาตั้งแต่อยากพี่จุดจนถึงายละเอียดที่สุดเราก็ทกําความเข้าใจกลับไปกลับมาฟังกลับไปกลับมาไม่ขีดเทียรแล้วเราก็สติควบคุมจิตเราให้จดจ่ออยู่กับการฟังมันก็เป็นสมาธิเมื่อสติก็มีอยู่ตั้งอยู่จิตก็เป็นสมาธิอยู่ ปัญญาก็มีอยู่มันก็รู้แจ้งได้เพราะันปัญญามันอาจจะรู้แจ้งได้โดยการฟังนี่แนะ่ปัญญาจะรู้แจ้งโดยการคิดพิจารณาเนี่ยปัญญามันอาจจะรู้แจ้งในขั้นของของภาวนามันมีปัญญาได้ที่จะรู้แจ้งได้ทั้งนั้นนะแน่ล้วก็ฝึกขัดเขา้าวเนีก็ทำให้เท่าที่เครื่องมือมีแล้วก็เนี่ย กลับไปบ้านเราก็ไปฟังเนี่ยไปเปิดฟังแล้วก็ตั้งแล้วให้สติมันควบคุมจิตให้มันจดจ่ออยู่กับการฟังมันก็จะเป็นสมาธิแล้วให้ปัญญามันไขเขาไขไขเข้าไปเนี่ยสติเหมือนเหมือนกับเอาคีมล็อกมาจับเมื่อจับอยู่มันก็เป็นสมาธิเนี่ยอย่าให้คีมล็อกมันหลุดเมื่อคีมล็อกไม่หลุดเนี่ยมันก็อาศัยสติเนี่ยสติเหมือนกับคีมล็อกเวลามาจับนอดแล้วมันก็จะล็อกเป๊ะเนี่ยไอตัวสติเนี่ยสมควบคุมไว้ ไอตัวล็อกเนี่ยก็เรียกคิมล็อกเวลาพมมาจับปุมแล้วก็บีบให้นล็อกเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่เลยเป็นสมาธิอยู่ต่อเนื่องตลอดในการฟังปัญญาผมก็ไขไขน็อตเข้าไปได้ไขไขไขไขไขไขไขไขไขความเข้าใจน้อมน้อมนอพิจารณาตามไปเวลาฟังอย่าทําใจนิ่งๆนะไม่ไม่พิจารณาตามไปต้องฟังเอาความเข้าใจนะพิจารณาตามไปน้อมนาไปพิจารณาตามไปด้วยเหตุและผลตามไปตามไป เห็น <het en> คนที่ฟังธรรมเนี่ยผิดประเภทที่หนึ่งก็คือมันลอยไปเลยใจไม่อยู่เลยไม่อยู่กับตัวผิดประเภทที่สองอ่ะฟงังธรรมใจทำสมาธินิ่งอยู่ข้างในไปทำสมาธินิ่งอยู่ข้างในอย่างนั้นะมันจะต้องไม่มีสมาธินิ่งอยู่ข้างในนะมันจะต้องให้สมาธิเนี่ยมันจดจ่ออยู่กับการฟังไม่ใช่ว่าไปสมาธิเป็นนิ่งอยู่ในความรู้สึกมันต้องมีส ม, มาสมาธินั่นจับ เหมือนกับสติเนี่ยให้สมาธิมันจับอยู่กับการฟังแล้วก็ปัญญาก็ไขคือทําความเข้าใจพิจารณ า, าตามไปพิจารณาตามไปตามไปตามไปตามไปเขาสอนอะไรก็พิจารณานตามไปตามไปตามไปจกนกว่าจะจบคําสอนมันก็จะเป็นสติสมาธิปัญญาไปไปไปในทางเดกในทางเดียวกันเป็นอันเดียวกันไม่ใช่ว่าเราเลยฟังทำแล้วทําใจมันนิ่งๆปล่อยให้เสียงก็ผ่านไปปัญญาก็ไม่เดินหน้าอันนี้ผิดนะทั้งนี้ผิด กที่สามฟังธรรมแล้วโมจะไปจุ้งกับอาการของใจคือสติสมาธิปัญญามันไม่อยู่กับการไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการฟังน้อมนำเข้าไปทําให้เกิดปัญญารู้แจ้งตามไปในการฟังธรรมว่าเข า, าพูดอะไรเขาก็ลังพูดอะไรจิตใจมันต่อเนื่องโอ้ใช่ใช่เลยโอโ้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ก็น้อมนาไปก็พูดเรื่องการพิณากายเน่าเ ป, ปื่อยผุพังก็น้อมนําไปว่ากายมันเน่าเปื่อยผุพังมันเป็นยังไงสภาพเน่าแล้วเป็นยังไง คนน้อมนำตามไปไม่ไม่ขาดว่าขาดตอนแจกแยะร่างกายให้มันเน่าอย่างไงก็น้อมนำตามไปไม่ใช่โมจะไปยุ่งกับอาการหัวใจกั ก, ก, กยุ่งอยู่ตาข้างในไอ้ที่เสียงที่พูดไปก็พูดไปเฮ่อแต่ใจไปทําอีกอย่างหนึง่งไปปรับปรั บ, บแต่งแต่งแก้ไขผักใส่อาการหังใจอยู่ข้างในมันก็มันก็ไม่เป็นมันก็ปัญญา ม, มันก็เลไม่เกิดไม่พอฟังจบไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรเนี่ย ที่สี่ที่เราสอนมาหลายวันที่เห็นคนฟังไม่รู้เรื่องคือทิฐิของตัวเองที่เป็นความเห็นที่ตัวเองอ่ะเอามาตัดตอนในการฟังหลายคนเอามาตัดตอนว่าตอนนี้มันสูงไปเรายังไม่ฟังอะ่ะพอไปตัดตอนแบบเนี้อ่ะตอนนี้มันสูงไปเราไม่ฟังเราเอาแค่พุโทโธพุธโทโธก่อนแล้วก็พอฟังก็พอเริ่มต้นก็เอาพุโทโธไปเลยพอฟังฟังตอ น, นแรกๆฟังใหม่ๆก็ฟังอยู่แต่เออตรงนี้มันสูงเกินไปไหมอะ่ะมันไม่ใช่ของเรา เราเอาแก่ตรงนี้ก่อนเราเรายังทำไม่ได้เรายังไม่เป็นสมาธิเอาแก่ตรงนี้ก่อนเออแล้วมันมันสูงเกินไปสำหรับเราแล้วก็ตามพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพอเราพูดจบไม่รู้เรื่องเอเวลาถามจึงรู้ว่าทำไมไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเวลาถามนี่มันคนละเรื่องกับที่เราสอนอ่ะนั่งพุทโธอยู่แล้วทำไมไม่มฟังอะ่ะผมว่ามันมันสูงเกินไปผมยังไม่มีสมาธิเลยอ่ะมันยังไม่ถึงขั้นของผมหรอก มันตัดไปเลยมันก็เลยไม่เข้าใจมันเลยไม่ทําความเข้าใจตามไปมันไม่มีคนโห่ไม่มีคนฉลาดแต่มันมีแต่ว่าทําก็เข้าใจตามไปแถวนั้นน่ะไปตัดว่าเรายังโง่หรือยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยเราเอาปัญญาของเราความคิดเห็นของเราไปตัดตัดตอนทิ้งหมดส่วนใหญ่ไปตัดว่าตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ของเราตรงนี้ไม่ใช่ไปตัดหมดตอนนี้ไม่ใช่บางคนก็ไปตัดว่าเราไม่ใช่ปฏิบัติแบบนี้เราไปทําอย่างวุ่นมาแล้วแต่ไปปฏิบัติสำนักหนุสนสำนักโน่สำนักนี้สำ น, นักนั้นมาหลายแบบตรงนี้ไม่ใช่ของเราตรงนี้ไม่ใช่ของเรามันเอาความคิดเห็นเนี่ย ซึ่งเป็นที่ฐิมานะเนี่ยมาตัดหมดพราว่าตัดแล้วมันก็ไม่พอกขาพูดมันไม่ตามไปแล้วใจอ่ะใจมันไม่ตามสมาธิขาดสติขาดปัญญาขาดแล้วทำมันจะปรากฏได้ไงทำก็ไม่ปรากฏพอเขาพูดจบมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็พูดกี่วนันฟังกี่วนันก็ฟังอยู่แต่ไม่รู้เรื่องเพราะอะไรมันเอาความคิดเห็นเนี่ยมาตัดเสแล้วอันนี้เป็นปัญหามากของคนส่วนใหญ่เลยที่ ท, ที่ฟังธรรมที่เราเราสอนไปเราเห็นเนี่ย ก็เปิดไม่สามารถเปิดเปิดทิฏฐิเขาได้เลยทิฏฐิมานะตัวเนี้ยมันกั้นไว้หมดไอ้ตัวนี้เป็นทิฏฐิมานะที่ขวางมากอืมเรียนมามากรู้มามากปฏิบัติมามากหลายสำนักมันเลยมาขวางหมดเลยการเป็นโตวขวางหมดดังนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเนี่ยที่เป็นผ้าจาันใหญ่เนี่ยไม่ว่าใคาจะเรียนอะไรมาใครจะปฏิบัติตามสำนักไหนม า, าปฏิบัติยังไงมาเพราะมาอยู่ต่อหน้าท่านมาถึงท่านต้องล้างทิ้งให้หมดถ้าจะมาเป็นลูกศิษย์ท่านจะมาฟังธรรมท่าน ไม่งั้นมันฟังกันไม่รู้เรื่องเพราะมันเอาทิฏฐิมาขวางซะก่อนแล้วมาตัดบทเลยอ่ะไอ้คาสอนตรงนี้ไม่ตรงกับที่เราทํามาไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ไม่ฟังเลยมันตัดแค่แค่พูึกในใจว่าไม่ใช่กันนั่นแหะสมาธิสถิตปัญญามันมาตัดเลยมันไม่ฟังต่อแล้วแล้วไม่รู้เรื่องเขาพูดยังไงจบก็ไม่รู้เรื่องไอ้คำว่าไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่เราเรายังไม่มีสมาธิเลยเราจะปฏิบัติตอนนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ใช่เราเราไม่ได้ปฏิบัติมาแบบนี้ ตรงเนี้ยมันมาตัดหมดมงคนพูดเราฟังไปก็แย่งอยู่เนี่ยแย่งแย่งแย่งอยู่ตลอดเวลาไม่ฟังต้องก่อเข้าใจซะก่อนมันมาขัดซะก่อนมันก็เลยไม่ฟังให้จบเนี่ยเพราะงั้นบางทีมันต้องฟังให้จบไปซะก่อนจะแย้งก็แย่งเออที่มันแย้งตลอดทางแล้วมันก็เลยไม่รู้เรื่องอย่างเนี้ยนั่งแย้งไปแย้งไปจลอดทามันก็เลยไม่รู้เรื่องต้องปิดใจให้หมดก่อนตั้งใจฟังให้มันจบเมื่อเราจะปฏิบัติด้วยวิธีใดมา เราต้องล้างทิ้งอันนั้นไปก่อนแล้วเปิดแก้วเราแก้วเปล่าเราให้มันว่างซะมันจะได้เติมไปให้เต็มแก้วพอมันเติมไปเต็มแก้วแล้วเนี่ยเราจะกินไม่กินก็เป็นเรื่องของเราแล้วแต่เนี้ยแต่เติมให้เต็มแก้วซะก่อนครับให้มันสติสมาธิปัญญามันจดจ่ออยู่การฟังให้มันต่อเนื่องว่าเขาพูดว่าอะไรสติปัญญามันเดินตามเมอมันเต็มแก้วเราจะเอาไปเราจะเอาไปกลับไปบ้านหรือไม่เอากลับไปบ้านหรือเราจะทําความเข้าใจเราจะกินเดี๋ยวนั้นหรือเราไม่กินเดี๋ยวนั้นก็เป็นเรื่องของเราล่ะ แต่นี่เรามาปิดแก้วตัแต่ก็เริ่มเทมันก็ไม่รู้เรื่องตัวเนี้ยทำเป็นน้ำชาล้นถ้วยไปเทยังไงก็เทไม่เข้าว่ามันมันมันมาด้วยน้ำชาล้นถ้วยเต็มแก้วมาแล้วน้ำเต็มแก้วเทใส่เข้าไปก็เทไม่เข้าแล้วก็ผลสุดท้ายก็ไม่รู้เรื่องไม่ว่าไปฟังธรรมที่ไหนไปเข้าสํานักไหนไปอะไรมะเอาทีิฏีแบกทีิฏีมาณะไปมันที่สุดแล้วก็พวกเนี้ยรอให้แก้ตายไปกับไฟนั่นแหละหมดหนทางช่วย ร้อนเมื่อไรไฟเผาก็จบไปแต่ไม่ได้จบภบชาตินะจบความวุ่นวายจบความทุกขเฉพาะแค่ตอนนั้นแล้วก็ระทุกข์ใหม่ต่อไปเพราะว่ามม่มีใครช่วยได้พุทธเจ้าชักสะพานเสียคนอย่างเนี้ยคนที่มีทิธฐิขวางอยู่นี่เนี่ยคนโง่สอนได้คนมีทิฏฐิมาหน้าขวางสอนไม่ได้ต้องพุทธเจ้าพระองค์ยังชักสะพานเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็วางอุเบกขา อไม่คอยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ดุไม่ด่าไม่ว่ากล่าวฟังก็ฟังเบลอแต่ไม่เคยดุไม่เคยจี้ไม่เคยว่าถ้าคนไหนปล่อยฟังเบลอไม่เคยดุไม่เคยว่ากล่าวเนี่ยแสดงว่าเออมันมีทิฏฐิมากท่านเลยมองก็ผ่านเลยเพราะความความเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านส่วนใหญ่นี่ท่านก็รู้หมดแหละพอเห็นว่าเขาสอนไม่ได้แล้วก็ปล่อยผ่านไปนะมันจะน่าเสียดายแบบนั้นเสียโอกาสยหยมีทิฏฐิขวาง เนี่ยการฟังทาไม่รู้เรื่องอ่ะใเหตุการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยออมีอะไรถามไหมล่ะถามได้นะไม่ต้องถามหลังไม้หรอกก็ได้คุยกันน่ยรู้กันต้องมีไหมใกล้ๆก็อะไรใกล้ๆมีอะไรถามไไม่มีเดี๋ยวมาขอชัจาหลังไม่อาจารย์ขอหลังไม่หน่อยหลังไมเลยพอาตรงนี้ไงที่เกลียดหลังไม่อ่ะเวลาพอจบแล้วไม่จบเราต้องดาวต่อตั้งเที่ยงคืนที่นทุกบ้นเลย ตั้งสี่สี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มหลังไม่ถึงเที่ยงคืนเที่ยงถึงทุกวันเลยตอนนี้หลังไม่เนี่ยหนักกว่าหน้าไม่อีกอนี่เราทาไมแปกกระดาษมาปฏิบัติธรรมฟังธรรมเราทําไมเห็นจิตใจใบหน้าของท่านมันจำเป็นทุกเป็นทุก <c oughs> ทำไมมันนี่มันคอสปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือความไม่ใหญ่ คือความพ้นทุกปฏิบัติให้ใจไม่ทุกเนี่ยเป็นหลักเออเออนบปฏิบัติธรรมองเห็นใบหน้าแววตาของท่านมันทุกทุกทุกทุกทุกแล้วจะแก้อย่างไรเนี่ยต้องสอนทำพูดซึ่งเนนี้มันความทุกมันออกมาที่แววตาใบหน้าเงค์ธรรมพิกปฏิบัติธรรมมันคือการทํำยังไงให้ใจมันไม่ทุก เมื่อคือทำ ม, มามันทําไมทุกทุกทุกทุกแลกว้วความทุกข์มันยังไม่ถึงจะหมดไปจากใจนาะเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเห็น <c oughs> okay, เราโอ้ยหน่าทุกา์สานเราก็ตีกันแตะไม่ได้แล้วแตะเดินยิ้มไปยิ้มมาเราเข็ดแล้วไปแตะเขา้าเดินยิ้มไปยิ้มมาหัวล่อคนนั้นหัวล่อคนนี้ตีคนนั้นหน่อยตีคนนี้นหน่อยเฮ้ย ห, ห, ห, ห, หัวล่ออะไรเงี้ยเขบอกว่า ทำไมมันยิ้มแต่ใบหน้าล่ะใจมันไม่ยิ้มเลยเราแย่หน่อยเดียวน่ะล้อง่ายเลยตอนนี้ล้องเป็นวกเป็นเวเลยตอนนี้สามีไม่ดีอย่างน้สามีไม่ดีอย่างั้นสามีไม่ดีอย่างนี้อ้าวเราเห็นว่าเาะอยู่ดีๆเลยแย่หน่อยว่าทำไมมันยิ้มแต่ใบหน้าทไมใจมันไม่ยิ้มแค่นั้นแหละ้องาเป็นวักเป็นเวทโอ้โเลยไม่หาไม่กล้าพูดใครยิ้มยิ้มไปะ เดี๋ยวมาร้องให้อ๋อมีอะไรถามไหมอ่ะถามได้นะไม่ต้องถามหลังไหมเหรอก็อได้คุยกันน่รู้กันตรงนี้มีไหมไกลๆกล็เลยไกลๆมีอะไรถามไหมไม่มีเดี๋ยวมาขอจารหลังไหม่อาจารย์ขอหลังไหม่หน่อยหลังใหม่เลยมคตรงนี้นงไงคือเกลีหลังใหม่เวลาพอจบแล้วไม่จบเราต้องยาวต่อถึงเที่ยงคืนที่นึงทุกวันเลยจบสี่สี 3, ท 4, ทท่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มหลังใหมถึงเที่ยงคืนทีนึง ทุกวันเลยเลยนี้หลังไม่เนี่ยหนักกว่าหน้าไม่อี ก, กว่าหลังต้องตั้งเวลาดีกว่าคุยกับด็อกเตอร์ปรับเวลาใหม่เขียนแบบนี้ไม่เอาละดอกเตอร์เอามีเวลาหน้าไม่บ้างแล้วมีเวลาหลังไม่บ้างให้เวลาหลังไม่มันมากกว่าหน้าไม่เลยไม่ค่อยกล้าถามกันแล้วก็เดี๋ยวพอจบเราจะเอาแล้วเนี่ยคานเข้ามาเป็นแถวแล้วเราพูดแล้วไม่เคยมีกล้าคานเข้ามาเลย ใจมันเป็นทุกข์รื้มทุกข์เป็นทุกข์ทำยังไงใจเึ่งจะพ้นจากทุกข์เห็นแล้วก็ <c oughs> แววตาเต้าหมองทีนี้เห็นโน้บางคนเราอยู่เรารู้จักมานานไม่เคยเห็นความทุกข์ที่มันออกจากแวลตามันเป็นขนาดเนี้ยโอ้ทุกข์ลมหนาวก็ปิดได้ไมาแล้วปิดๆเลยมันหนาวแล้วอากาศมเย็นบุบๆเข้ามาเนี่ย เปิดไฟอ่ะเปิปสว่างสว่างหนเห็นหน้าเห็นตาหน่อยยิ่งอะไรนะหลังสีขี้ทุกออกมาเยอะแยะเหมืนกันปิดเปิดมันสว่างไล่ไว้หน่อยเออไล่ให้มันมีความสดใสสว่างสวยหน่อยให้ความมืดมันหายไปเอาความสดใสเกิดขึ้นความมืดหายไปความสดใสมันก็สว่างขึ้นเองเนี่ยความมืดในจิตใจให้มันหายไปหมดสิน้นปีใหม่แล้ว ทุกคนมีกรรมเป็นของของตนทำกรรมกันมาทั้งนั้นเนี่ยทำทั้งบุญทั้งบาปแต่กรรมดีกรรมชั่วกันมาทุกพวกทุกชาติจนถึงในจาตเนี้ยทุกคน ต, ต, ตัวตัวเราคนมาเกิดเป็นสามีภรรยาเรามาเกิดเป็นลูกหลานของเรามาเกิดเป็นพ่อแม่พี่น้องมาเป็นเจ้านายเร า, มา เ, เรามาเป็นลูกน้องเรามาเป็นลูกศิษยเรามาเป็นอาจารย์เรามันก็ล้วนแต่มีกรรมเริ่มกันมาทั้งนั้นแหละ เคยทำบุญทำบาตรทำกรรมดีกรรมชั่วรวมกันมามันจริงได้มาเนี้ยมาเกิดร่วมกันมาฟังธรรมการมาปฏิบัติธรรมด้วยกันมาเป็นกัลยาณมิตรกันมันก็ล้วนแต่มีความเป็นมาทั้งนั้นแน่แต่ในเมื่อแต่ละคนเนี่ยเขามีความทุกข์ยากลําบากมีเหตุทําให้เขาต้องเป็นไปในประการต่างๆนั้นก็เพราะกรรมเขาทําไว้ทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ กรรมเก่าเขาก็ทํามาเยอะกรรมใหม่เขาก็ยังไม่ละบเขาก็ทํำบาปกรรมทางกับทํำบาปกรรมใหม่อีกมันจึงได้ทําให้ได้รับผลของโทษของกรรมนั่นไปเราเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นสามีภรรยาเราก็ต้องนึกถึงกรรมตัว น, นี้ยว่าเขาเนี่ยต้องเลยรับโทษทันได้รับ เ, เวทเพศภัยมีความตายไปอายุสั้นกว่าควร หรืออะไรก็ตามที่มันได้รับผลลายไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องคิดให้ออกคิดให้เป็นเอากรรมมาตัดมันถึงจะสามารถที่จะเบาบางไปจากความทุกข์ได้เพราะทุกคนมันมีกรรมเป็นของของตนตัวเราก็มีกรรมมาสามีภรรยาลูกหลานพ่อแม่พี่น้องเพื่อนลงงานมาแต่มาปฏิบัติธรรมร่วมกัน ก็มีบุญมีบาปมีกรรมดีกรรมชั่วร่วมกันมาทํากรรมกันมาเคยมีความสัมพันธ์ต่อกันมาก็คือมีกรรมต่อกันนั่นเองแต่เน้นถ้าเขาไม่ละบาปบาปกรรมเก่าเขามีติดมาเยอะแล้วในบาปกรรมใหม่ก็ไม่ละมันก็ต้องได้รับผลของกรรมอย่างแน่แท้เรามีอยู่ทางเดียวท่านั้นต้องทําใจกับเขาในกรรมที่เขาได้รับผลของกรรมก็ทําของเขาเอง เราทำใจไม่ได้ก็มีแต่ความทุกข์เพราะฉะนั้นตอนนึก ถ, ถึงบาปกรรมที่เขาทำแล้วก็าทำตัวของเขาเองทั้งบาปกรรมเก่าบาปกรรมใหม่เราเป็นพ่อแม่พีน่น้องเป็นสามีภรรยาเป็นญาติพีน่น้องเราก็ต้องมีเมตตามีกรุณามุติตาแต่ก็ต้องมีอุเบกขาไงอุเบกขาพระเจ้าสอนให้มีเมตตาไม่ใช่ว่าเมตตาคนไม่เมตามเมตาผู้อื่นมีเมตตาก็จริง มีเมตต า, ม, ามีเกลุณาวิตาแต่ตัก็ต้องอุเบกขาอุเบกขาได้เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นกรรมเขายัางทํากรรมไม่เลิกทํากรรมทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ถ้าเราเลื่อกย้อนไปได้ประเห็นว่าโอ้ยของเก่าทํำมาไว้ตัต้งขนาดหนักของใหม่ก็ยังไม่เลิกอีกมันก็เลยอย่างนี้แน่เพราะะนั้นเนี่ย ก็ต้องทาใจอย่างเดียวเนี่ยทำใจไม่ได้ไปล่อยวางไม่ได้วางอุเบกขาไม่ได้ก็ทุกข์มากนะทุกอย่างเดียวเลยทุกทุกทุกทุกทุกแสนสาหาัสบางครั้งเนี่ยโอ้ยยังไงอะ่ะมันก็เป็นไปตามกิเลยของตัวเองทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ตั้งดีขนาะมีคนทักบอกว่าจะไปเอาเลย วันนี้นะ่ะไปเอามาเป็นสามีภรรยาจะทุกข์หนักหนาตาหัสหนะ น, น่าแล้วนี่มีคนผู้รู้เขาบอกแบบเนี้ยว่าถึงเวลาเท่านั้นเวลานี้จะเจอคนนั่นคนนี้ที่เป็นคูกกรรมที่ทำบาปกรรมล้มกันมามันจะทุกข์หนักหนาแต่สหาหัสถึงเวลาเมื่อคว้าเข้าไปเป็นผัวเป็นเมียเนี่ยมันมันมันจะโทษใครอะไรแบบเนี้ยมันใจของตัวเองอ่ะมัน กิเลสของตัวเองมันพาไปทั้งหมดเลยเนี่ยไปความทุกข์ควาเดือดร้อนอะไรเนี่ยบาปกรรมทั้งหลายกิเลสทั้งหลายมันทุกข์ขนาดก็ห้ามมันก็คว้าจนได้เนี่ยหรือว่าไอเ น, นี่ยมันบาปกรรมนะไอเ น, นี่มันโทษหนัก น, นะอะไรเนี่ยมันก็คว้าจนได้เนี่ยไปทํำจุดจนได้นไอ ก, กรริเลสมันลาบไปโอ้กรริเลสคนนีมันน่ากลัวมากจริง กลัวจริงๆเนี่ยนะความทุกข์มันเกิดจากกิเลสนี่เนะี่ยกิเลสคนนี่เนะี่ยโอ้รู้มากขนาดไหนจึงเห็นแล้วมันตลอดจังเวตกับกิเลสที่มันเกิดขึ้นมันมันแพรทางแพรใจจนเองนี่เนะี่ยจริงทําให้ตัวเองทุกอยากลาบากทั้งในปัจจุบันและในอนาคตและในชาติต่อๆไปกระเพราะนี่เนะี่ยที่สุดก็คือตามใจกิเลส ทางตัวเราแล้วก็คนใกล้เคียงของเราเราก็เองเป็นทุกข์เขาก็เป็นทุกข์เพราะกิเลสกิเลสเราก็เป็นทุกข์มาก่อนเราก็ทํามาก่อนกิเลสเขาอีกเอามาเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีภรรยาเพรามีน้องกันก็ไปเจอกิเลสอย่างของเขาอีกมามาอยู่กันอีกเราก็ทุกข์ของตัวเราด้วยเพราะเราก็มีกิเลสมาเก่าทํามาเก่าแล้วไปเจอกิเลสเขาอีกทําให้เขาเนี่ไปมีกิเลสทาให้ต้องทุกข์ยากลําบากทำปัวพันกันทําให้เราต้องมีมีความทุกข์ลมกับเขาอีก นีนนนน่น่มันสุดที่จะช่วยจริงๆเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเนี่ยความติดสุดแล้วก็คือความทุกข์กับกิเลสของตนมันสุดที่จะช่วยจริงๆมีหนทางเดี๋ยวจะตัวช่วยจะพูดช่วยจะสอนช่จะชี้แนะพระเจ้าตรตัตว่าเราตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางได้เท่านั้นเองพุทธองค์เนี่ยล่วงรู้ไม่มีที่สุดไม่ ม, มีประมาณเลยทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและอนาคตของ มนุษย์ทั้งหลายเทียบได้อินฟร์มยมยากนาคุตมนุษย์สสัทั้งหลายแม้แต่พวกที่สัสตว์ประหลาดเลื่อยผ่านหน้าท่านไปท่านสามารถรู้ได้หมดพระองค์ก็รู้ได้หมดแต่มันสุดจะช่วยสุดจะเยียวยาจริงๆครับพระองค์ทไมจะไม่รู้แต่มันสุดจะช่วยสุดจะเยียวยาจริงๆแล้วคงโอ้โหพระองค์นี่ไม่ใจของพระองค์ไม่สิน้นสิ้นความจิตมั่นสืมั่นไม่วางไม่เป็นอุเบกขายตลอดแล้วพระองค์คงทุกข์มากใครเพราะความเมตตาของพระองค์ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ องพยายามที่จะช่วยคนทั้งหลายเนี่ยว่าเห็นว่ามันทุกข์ก็เพราะกิเลสตนนี่นะและกิเลสคนอื่นนี่นะมันเลยทุกข์เราก็มีกิเลสอย่างนั้นมาก่อนก่อนที่เราจะโตมาถึงบัตรนี้จนเราทุกข์มาขนาดนี้เราก็มีกิเลสมาก่อนเราไม่ฟังพ่อฟังแม่ไม่ฟังใครก็เพราะกิเลสนั้นเราก็เป็นทุกข์มาก่อนเสร็จแล้วเรามาเจอคนที่อยู่อยู่กับเราเป็นทุกข์อีกเำาห้เป็นทุกข์ดีอีกอย่างเนี้ย อดีตมันผ่านไปแล้วทําอะไรก็ไม่ได้มันหวนคืนก็ไม่ได้ไมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นเนี่ต้องตั้งต้นใหม่ที่ใจของตนเองตั้งต้นใหม่ที่ใจของตัวเองปีใหม่แล้วอดีตมันก็เป็นไปแล้วตั้งต้นใหม่ วางใจให้เป็นอุเบกขาใครจะเป็นอย่างไรใจเราต้องพ้นทุกข์ก่อนใครจะเป็นอย่างไรใจเราต้องพ้นทุกข์ก่อนใครจะเป็นอย่างไรใจเรานิพานเป็นพอต้องช่วยตัวเองก่อนปีใหม่แล้วต้องช่วยตนเองก่อน อย่าห่วงคนอื่นมากนะจะพากันจมน้ำตายหมดพากันจมทะเลทุกตายหมดไม่ใช่เราเป็นคนไม่มีน้ำใจต่อใครเหมือนเวลาเราไปเดินทางไปในเครื่องบินเวลาเครื่องบินจะออกเขาจะมีแอร์โฮสเตสเขาจะมาบรรยายว่าถ้าเกิดเครื่องบินจะตกหรือหรือกระแทก ลมอากาศแรงๆก็อาจจะมีออกซิเจนหล่นลงมาจากเทดานติดใต้ที่วางกระเป๋าตกลงมาที่ที่ศีรษะของแต่ละคนเขาจะพูดเตือนเราว่าเราเนี่ยจะต้องออกซิเจนเนี่ยครอบจมูกปากเราซะก่อนก่อนที่จะไปครอบให้ลูกครอบไปคนข้างเคียงที่เรารัก ไม่ใช่เราไม่มีเมตตาเราก็มีเมตตาต่อลูกเมตตาต่อคนข้างเคียงที่เราลังก์ที่นั่งไปด้วยแต่ถ้าเรามัวออกซิเจนมันตกลงมาเนี่ยเอาไปไล่ครอบลูกเลยเราก็ไล่ครอบคนอื่นเนี่ยมันมีเสี้ยววินาทีเดียวที่เราออกซิเจนมันหมดไปเราไม่ทันได้ไปครอบเขาหลักเราก็ตายเขาก็ตายแต่ถ้าเราครอบปั๊บเอาออกซิเจนครอบเราทันทีเนี่ยเราก็จะสามารถช่วยคนอื่นได้แต่งเยอะ อาจจะช่วยครอบให้คนอื่นปั๊บปบปั๊บปัะปะปะปะอะอีกอแต่ถ้าเราเนี่ยไม่เอาเสียนครอบเราซะก่อนเนี่ยเราตายก่อนช่วยใครไม่ได้เลยคนอื่นก็ตายด้วยลูกเราก็ตายด้วยที่น่งขางก็ตายด้วยต้องช่วยตัวเองก่อนปีใหม่แล้วไม่ใช่เป็นคนใจใจไม้เส่ยระกำใครจะเป็นอย่างไรใจเราต้องนิพพานเป็นพอ ใครจะเป็นยังไงใจสอนนิพพานเป็นพอช่วยตัวเราเองให้คนทุกช่วยหน่อยช่วยปฏิบั ต, ติตามคำสอนเพื่อเจ้าหน่อยพระองค์ก็พยายามสอนอย่างนี้แนะช่วยตัวเองให้คนทุกกอนมันจะได้ช่วยคนอื่นได้ช่วยตัวเราเองให้คนทุ ก, ก่อนปีใหม่แล้ว้ารโมแต่วงคนอื่นเนี่ยมันจะพาจมน้าทะเลทุกตายทุกคนต้ อ, อตัวให้รอด ในปัจจุบันนี้แต่ความเมตตามีอยู่แต่ต้องเอาใจของเราให้บรรทุ ก, ก่อนใครจะเป็นอย่างไรใจเรานิพานเป็นพอจะไปยุ่งกับเขาใครจะเป็นอย่างไรเอาใจเราให้นิพานเป็นพอปฏิบัติให้ใหบรรลุนิพานเป็นพอแล้วไ่ใหม่แล้วเร่งทำความพอใจเร่งปฏิบัติปล่อยวางทุกอย่างจากใจลงไป อดีตเป็นก็ผ่านไปแล้วมันเอากลับคืมมนเราไม่ได้แล้วมันเป็นกับทุกอย่างก็เป็นไปแล้วตัดใยให้มันอยู่ในปัจจุบันพิจารณาถึงกรรมที่ทุกคนได้ทำไว้ทั้งตัวเราและตัวเขาเมื่อเราก็ทำกรรมมาไว้เขาก็ทำกรรมมาไว้ต่างคนก็ต้องได้รับผลของกรรมเมื่อเขาได้รับผลของกรรมก็ทำให้เราเป็นทุกข์ก็เพราะว่ากรรมมันเคยทำร่วมกันมา เหตุปัจจัยโดวยบังเอิญไม่มีหรอกที่เมื่อเขาได้รับกรรมมาแล้วทําให้เราใจต้องเป็นทุกข์ก็เพราะมันเคยทํากรรมรุวมกันมามันจึงได้มาเกิดร่วมกันมาอยู่ร่วมกันเมื่อเขาเป็นอะไรไปก็ทุกข์ด้วยกันเพราะมันเคยทําบุญทําบาปทำกรรมดีกรรมชั่วรุ่มกันมามันเคยทําร่วมกรรมรุ่มกันมาจริงทําให้เขาเป็นทุกข์เราก็ต้องเป็นทุกข์เมื่อเห็นมันเป็นอย่างนี้เราก็วางเออ ยอมรับโทษบาปกรรมที่เกิดขึ้นทุกอย่างเราก็ได้รับมามากพอแล้วเขาก็ได้รับผลของกรรมเข้าไปทุกวันนี้เราก็ได้รับมามากพอแล้วนึกถึงโทษบาปกรรมที่เราเนี่ยไม่เชื่อพอพูดธพระธรมพระสงฆ์ไม่เชื่อพ่อแม่ไม่เชื่อครูอาจารย์ก็ทําให้เราต้องรับโทษบาปกรรมมาถึงทุกวันนี้พอกันทีกับอดีตอยู่กับปัจจุบัน แล้วก็ดูปัจจุบันนี้ยายังเกาะเกี่ยวยึดถืออะไรบ้างตัดมันให้ขาดในปัจจุบันนี้เห็นว่ามันเป็นกรรมของแต่ละคนแบกตัวเราด้วยกินปล่อยวางทุกอย่างลงไปแล้วก็ยอมรับผลที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่เราก็จะไม่ไปทุกข์กับผลที่มันเกิดขึ้นจะตั้งต้นใหม่เอาใหม่ เป็นคนใหม่ใครจะเป็นอย่างไรใจเราต้องพ้นทุกข์ก่อนใครจะเป็นอย่างไรใจเราต้องพ้นทุกข์ก่อนต้องท่องเอาไว้แต่ปฏิบัติให้มันได้มันก็จะพ้นจากทุกข์ไปได้พ้นจากกรรมไปได้ถ้าใจไม่พ้นทุกข์มันก็พ้นจากทุกข์พ้นจากกรรมไม่ได้ต้องปฏิบัติให้ได้ปฏิบัติที่ใจของเราโมหัวงัวกังวล เอาไอ้ออกซิเจนไป ส, สั่งใสคนอื่นก่อนเราก็ตายก่อนนะเร่งปฏิบัติตัวของเราให้มันได้นะเห็นเราเห็นพวกท่านนั่งกันในความเป็นทุกข์เราก็สงสารสงสารแต่เราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงได้แต่พูดแต่พูดบอกบอกบอกบอกนะพระองค์ก็เมตตามากนะเราเห็นความเมตตาของพระองค์เนี่ยเราโอ๊ยเราถึงเมตตากับพวกท่าน เราเด็ดเลยยังไงเราก็ยอมเพราะว่าเราไม่ได้หนึ่งในล้านของพระองค์อขนาดผู้หญิงคนหนึ่งที่พระองค์จะไปโปรดเนี่ยพระองค์ต้องเดินทางโดยเท้าเปล่าไปทิศทางหลายโยนเพื่อไปโปรดผู้หญิงคนคนนี้คนเดียวพระองค์ไปถึงแล้วทั้งประักรและตามทั้งคนทั้งหลายก็มาเฝ้าพระองค์ เอ๊ะถวายอาหารถวายอะไรเสร็จแล้วทําไมพระองค์ก็เฉยไม่ให้พรไม่ไม่แสดงทําอะไรเฉยอย่างเดียวคนทั้งหลายก็สงสัย่ากเลยทําไมพระองค์เงียบมากอย่างเดียวไม่แสดงทําไม่ไม่ให้พรไม่อะไรทั้งหมดอ่ะเฉยอย่างเดียวไม่พูดอะไรคนทั้งหลายก็แปลกมากพระองค์มพระองค์วันนี้แปลก แต่พระองค์ก็ระพึงในใจว่าเราเดินทางมาต้องเดินทางในเท้าป่ามาเนี่ยตั้งหลายโยชนเพื่อจะมาโปรดผู้หญิงคนคนนี้คนเดียวเนี่ยทำไมป่านนี้ยังไม่มานาอยังไม่มาสักทีโอ้โหเราเห็นไหมพระองค์จะโปรดคนคนเดียวยังต้องเดินทางมาไกลขนาด น, นี้ยคนทั้งหลายก็รอพระองค์เฉยเงีย แต่ถ้าพระองค์ยังไม่ปีตปากพูดไม่อะไรทุกคนในทีนั้นเงียบจริงๆเ่ยเพราะทุกคนเขารู้พระองค์มากจงกระทั่งผู้หญิงคนนี้เอาอาหารมาถวายพระเจ้าเดินทางมาช้าไปหน่อยพระผู้หญิงคนที่มาเนี่ยโอ้พระพุทธเจ้าประตูเรือล็อตเลมาแล้วแค่แน่คนทั้งหลายจึงรู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้ารอผู้หญิงคนเนี้ยคนเดียวเองอมากรเพาะว่าเพื่อจะมาปวดผู้หญิงคนนี้คนเดียวแม้พอ สิ่งคำถามสิ่งคำตอบก็ผู้หญิงคนนี้ก็บรรลุอสวดดาวันขนาดเขาไม่ได้บรรลุอรหันนะแค่ใจใจเขาบรรลุสวดดาบันพระองค์ก็มาโปรดแล้วพขาออกจากพุทธเจ้าไปก็ไปถึงแก่ความตายพระองค์ช่วยให้เขาไม่ถึงแก่ความตายไม่ได้ขนาดพระพุทธองค์มีฤทธิ์ถึงขนาดนั้นแต่จะช่วยเขาถึงแก่ความตายให้เขายังไม่ถึงแก่ความตายช่วยไม่ได้ไม่ช่วยไม่ได้ พระองค์มีฤทธิ์เนี่ยมันเรียกเราคิดนะไอ้พระองค์น่ยไม่ช่วยเขาในพ้นจากความตายให้เราพ้นจากความตายยังช่วยไม่ได้เลยทุกคนมีกรรมเป็นก่องของต้นพระองค์มีความรู้ทะลุไปหมดเนี่ยช่วยเขาได้เพียงมาสอนเขาให้เขาได้บรรลุประตูตาบันออกไปเขาก็ไปตายเยี่ยเมตตาของเมตตาพระองค์นเนี่ยโอ้มากมายมากๆๆคนคนเดียวพระองค์มาเดินทางไปสอนเขาไกลมากเราพวกเราเนี่ย ต้องตอบแทนคุณพระ อ, องค์นะตอบแทนคุณครูบาอาจารย์ที่เมตตาสอนเราเราก็นําไปปพฤปฏิบัติเร่งประพฤติปฏิบัติเข้าอย่ามัวไปสนุกสนานฟังแล้วก็ไปคุยกันฟังแล้วก็ไปกินกินคุยๆเล่นกันเผลนไปกิดโน่นคิดนี่เดินไปเดินมาไม่ปฏิบัติฟังไปแล้วมันก็สิ่งเสียเปล่าฟังแล้วก็ไปคิดอย่างเกา่กาพูดอย่างเกา่าทําอย่างเก่าคิดอย่างเกา่กาพูดอย่างเกา่าทําอย่างเก่าทุกอย่างเกา่า แก้ขายตนเองใหม่นะแก้ไขายตนเองสมัยปีใหม่ละแก้ไขายตนเองใหม่อย่าเดินอยู่ในทางเห็งความเสื่อมให้เดินอยู่ในทางแห่งความเจริญละเว้นทางเห่งความเสื่อมซะคือละเว้นการกินมากนอนมากพูดมากคุกกี้หมู่คณะไม่สํารวมอินทรีย์ตาหูจมูกลินกายใจ ปล่อยให้กิเลสความทุกข์ความเคียดเป็นไฟเผาใจไฟราคะไฟความโลภโทสะโมหะทิฏฐิมานะเข้ามาเผาใจตัวเองมีความเพียร น, น้อยย่อหย่อนไม่มีความเพียรก็แทบจะว่าได้ไม่มีกิเลอิริโอตตะความล้ายแก่ใจเก่งโอตตบะ มีความจิตใจหมกมุ่นแต่เรื่องโรโลกเนี่ยทางแห่งความเสื่อมต้องละให้ขาดปีใหม่แล้วขอให้ทุกท่านเน่ะจงเดินอยู่ในทางแห่งความเจริญกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยไม่คุกคีหมู่นณะจิตใจไม่หมกมุ่นแต่เรื่องโกโลกให้มีสติ สํารวมระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจสํารวมเรียกว่าสํารวมอินทรีย์ให้มีความเพียรไม่ว่ากายจะทําอะไรให้ใจห ย, ยูดกับกรรมฐานของตัวเองให้ปัญญาเดินหน้าในกรรมฐานของตัวเองจย่ต่อเนื่องให้ขาดสายหรือในขั้นแรกก็ต้องฝึกให้ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรให้ใจอยู่กับสิ่งนั้น ให้กายกับใจมันอยู่ด้วยกันกับสิ่งที่ตัวเองกำลังกระทำอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าให้มีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันกายทำอะไรอยู่ก็ให้ใจมีสติตื่นรู้อยู่ในสิ่งในปัจจุบันที่ตัวเองกำลังกระทำอยู่ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายทำอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวมาอยู่นี่ใจก็มาอยู่นี่ตัวฟังทำใจก็ฟังทำเดี๋ยาให้ใจกับตัวมันแยกกันไป หากิเลสข้ามรั้วออกไปหาสามีภรรยาลูกหลานพ่อแม่พี่นอ้องอดีตคนรักเก่าวุ่นวายเรื่องเก่าเรื่องอะไรมันบุ้นบุนกลับไปข้ามรั้ววัดออกไปนู่นตัวอยู่นี่แต่ใจมันข้ามกำแพงวัดออกไปข้างนอกเสร็จ แ, แล้วพอจบคอร์สก็มาร้องไห้กันแต่ละคนต้องฝึกให้ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นในขั้นแรกขั้นต่อไปก็ไม่ว่าการจะทําอะไร ในใจเนี่ยไม่เคยหลุดจากกรรมฐานในขั้นของตัวเองเลยตัวเองเนี่ยมีความรู้ความเห็นของมัอใจอย่างไงในขั้นกรรมฐานของตัวเองตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองก็ปฏิบัติมาในกรรมฐานของตัวเองในขั้นในขั้นปัญญาของตัวเองมาถึงขั้นไหนแล้วมันมีกรรมฐานอะไรที่เราลังชัดเจนปิ๊ง ป, Bem, ปิ๊งปิงปิงปง Working, อยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่จะทําให้เราพ้นทุกไปได้ไม่ว่ากาจะอยู่ในเรียบรถใ ด, ดยืนเดินนั่งนอนเข้าห ah, ้องน้ำห้องส้วมดื่มกินเดิดดนตามไปไหนมาไหน ใจไม่รูุ้ดจักกรรมฐานในขั้นของตัวเองเลยกับติดจดจ่ออยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนจนกว่ามันจะปิ้งทะลุไปได้แล้วก็ถ้ามันยังไม่พ้นจริงๆก็อาจจะพักขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเหมือนกับขึ้นต้นตาขึ้นมะพร้าวมันก็ขขนนกระลึบกระลึบต่อไปได้อีกแต่เมื่อจะไปติดอีกกําลังไม่พอก็อย่าให้มันตกลงมาอย่าทิ้งกรรมฐานของตัวเองไม่ว่ากายจะทําอะไรใจก็ไม่ทิ้งกรรมฐานในขั้นของตัวเองที่มันปิ้งใหม่ก็กอดมันไว้ให้แน่นในขั้นกรรมฐานของตัวเองให้กับติดจจ่่่อออยยูกัับมนนางี้ต่่ออเนืงไมขาาดสย จนกว่ามันจะทะลุไปได้ก็ปิ้งไปได้อีกพอปิ้งไปมันก็กระดึ๊บกระดึ๊บกรดึรด๊บต่อขึ้นไปอีกตายต้นตายต้นพร้าขึ้นไปได้อีกถ้ามันอาจจะไปไม่ถึงยอดเราอาจจะมีกําลังแก่นั้นก็กอดมันไว้ให้แน่นอย่าให้มันตกลงมากอดอะไรก็คือกอดกรรมฐานในกั้นของตัวเองไว้ตลอดเวลาไม่ว่ากายจะทําอะไรใจกอดมันไว้เนี่ยยังไม่ปิ้งกับก่อนไว้น่ะกี่วันกี่คืนก็นต้องกอดไว้เนี่ยหลวงปู่อรวานท่านว่าเรามีปัญญาน้อย เราจดจอ่อกับมันในการมรรทนของท่านที่ท่านพิจารณาอยู่สี่วันสี่คืนยังต่อเนื่องเลยสี่วันสี่คืนท่านจะปิ้งกับมันได้แต่ท่านถ่มตัวของท่านสี่วันสี่คืนเนี่ยถือว่าเร็วมาก เ, <S <S เราจดจออยู่กับมันทั้งหลายเดือนบางคนต้องจดจอยอยู่กับมันเป็นปีเป็นหลายปีเนี่ยท่านทำจะมาทะลุไปก็ไม่มีวันเลิกลาเออมันทะลุเสร็จแล้วมันอาจจะปิ้ง ต, ต้นยอดตาญ่ยอดตะเภ า, าเอออย่างนี้ก็สบาย มันจะไม่ไม่ถึงยอดตาจะเพาะมันจะปิ้งไปมันจะกระดึบกระดึบขึ้นตอบไปได้อีกเออพอมันได้แล้วเราก็เรางงงเลยไปถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็ถามแล้วเราก็ทํำเขา้าใจได้อีกแล้วก็พอทาทำเข้าใจละไม่ว่าใจเราทําอะไรอยู่เนี่ยใจเราก็กัดติดในกรรมฐานนั่นใหม่ที่เราได้ไฟว่าเราตรงนี้แต่ปิ้งละมันจะปิ้งใหม่ละอันเนี้ยเราก็เอาเลยกัดติดอย่างเงี้ยจดจ่อกัดติดมันจดจ่อกัดติดมันทั้งวันทั้งคืนไม่เลิกลา ให้เดินอยู่ในทางแห่งความเจริญละทางแห่งความเสื่อมซะแล้วจดจ่อกับติดอยู่กับมันเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเดินอยู่ในทางแห่งความเจริญละทางแห่งความเสื่อมซะมีความเพียรให้มากอย่างนี้เรียกว่ามีความเพียรมากคือกักติดจดจ่ออยู่กับในกรรมฐานของตัวเองแ ล, ล้วมีอิริยาบะลายแก่ใจเกงโกฏต่อบาปอันนี้มันขั้นติ่มันต้่าหลักพื้นพื้นของคนที่ในฝึกต้องฝึกมันต้องไม่อยู่แล้ว เมื่อเรากับติดนี่เงี้ยจดจอเงี้ยมันก็ต้องปิ้งทะลุไปจนได้เนะี่มันอาจจะปิ้งทีเดียวถึงยอดตะพาวยอดตาเลยการปฏิบัติธรรมมันเหมือนขึ้นต้นตาต้นตะพาวเนี่ยมันไม่มีไม่มีกิ่งพักขึ้นถึงยอดตายอดตะพาวในแนวมันถึงจะถึงจะมีที่พักได้คือทรลุไปถ้ามันยังไม่มีนี่ถึงยอดตาเจ้าตะพาวมันยังพักไม่ได้มันยังไม่มีทไม่มีที่พักท่านว่าถ้ามัน ยังไมปิ้งมันกัดติดกับมาอย่างเงี้ยคือกอดต้นตะพาวหรือต้นตาในให้แน่นอย่าให้มันไหลลงถ้ามันไหลลงเราปล่อยแบบว่าเราเหนื่อยมามากแล้วเราปล่อยสติให้ขาดปล่อยปัญญาไม่ให้มันเดินหน้าเราแค่คิดแก่นีเน้เราก็ปล่อยส ต, ติปล่อยปัญญาเราเนี่ยสมาธิมันก็หลุดมันกอดต้นตะพาวไว้ไม่อยู่กอดต้นตาไว้ไม่อยู่มันก็ไหลเวลามันไหลลงเนี่ยต้นตาตะพาวมันไม่มีกิ่งแต่เราคิ ด, ด ว, ว่เวลาไหลลงมัไหลที่ไหน มันไหลไปถึงขั้นมีกิเลสกุ้มลุมใจได้เลยนะเวลามันไหลลงไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอามันอยู่นะไม่ใช่โอ้โหปฏิบัติมันจะสูงึขัน้นดีแล้วไหลแล้วมันจะไม่ไม่ใช่ว่าไหลแล้วไปกไปไ ป, ไปติดกิ่งขั้นไหนนะไม่มีอะไหลแล้วเนี่ยถ้าสติมาไม่ทันเนี่ยมันอาจจะกอดกอดต้นมะพ้าวใหม่ไม่อยู่เนี่ยมันไหลทีเดียวถึงนู่นเลยอะตกถึงพื้นเลยกิเลสตัณหากุ้มลุมได้เลยจนเอาไม่อยู่สติแตกแบบเหมือนกัน เออแต่ถ้ามันเริ่มไหลปุ๊บสติมาทันมันเนีอ้ยรีบกอดไว้ให้แน่นไว้รีบกอดไว้ให้แน่นจะไหลแล้วเออมันก็ยังดีก็สามารถกะดึ๊บกระดึๆๆ๊กระดึ๊บตอไปได้อีกแล้วก็เอ า, เอาแล้วแต่ว่ากรรมฐานของใครในขั้นไหนนะกรรมฐานในขั้นฝึกสติให้ตัวอยู่ไหนใจอยู่นัานทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่ตัวมาฟังธรรมใจก็มาฟังธรรมหรือตัวกําลังฟังธรรมอยู่ใจก็ฟังธรรมอยู่ เมื่อตัวฟังธรรมใจฟังธรรมปัญญามันก็เดินหน้ากลับติดอยู่ในธรรมที่ตัวเองกําลังพิจนารณาอยู่ที่กําลังฟังอยู่นั้นให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายเนี่ยมันต้องฝึกในขั้นแรกก็ต้องฝึกให้ตัวอยู่ไหน ใ, หใจอยู่นั่นกายทําอะไรให้ใจอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวอยู่ทางนึงใจไปอีกทางหนึ่งอย่างเงี้ยมันโอ้ยมั น, ม, นมันไ ม, ไม่ไม่ได้ฝึกแบบที่ต้องฝึกนะ ตัวอยู่นี่ตัวมาฟังธรรมอยู่นี่แต่ใจข้ามรัววัดกับไปหาดีดไปหาหนาคตไปหาคนรักเกา่าไปหาเรื่องเกา่าๆไปหาเรื่องที่ทุกข์เรื่องที่ไม่สบายใจไปหาเรื่องครอบครัวเรื่องนู่นเรื่องนี้ไปหาเรื่องลูกเรื่องหลานอันนี้มันก็พาตนในจมทะเลทุกตายมันช่วยใครก็ไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ก่อนมันเดี๋ยวมันต้องช่วยเดี๋ยวนี้เลยอืถ้าปล่อยให้ใจเราข้ามรัววัดไปเดี๋ยวมันก็ต้องหาเรื่องทุกข์มาใส่ตัวแล้วเราก็ช่วยใครไม่ได้ร้องห่มร้องไห้คนอื่นก็เป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข มันต้องช่วยตัวเองนี่ไงอย่ามันมัาตัวมาอยู่นี่อย่าปล่อยใจมันข้ามรู้วัดกลับไปบ้านให้ตัวมันอยู่นี่ใจมันอยู่นี่ตัวฟังธรรมใจฟังธรรมเนี่ยตัวเดินจงกรมอยู่ใจมันก็เดินจงกรมอยู่ตัวเดินจงกรมใจมันก็เดินจงกรมอยู่ตัวนั่งสมาธิใจมันก็นั่งสมาธิอยู่ถ้ามันไม่อยู่กายมันนั่งสมาธิอยู่แต่ใจมันก็จะไปตัวเดินจงกรมอยู่ใจมันก็จะไปแล้วก็อะไรก็ตามมาเป็นเครื่องล่อไว้เอาหลักมาปักไว้ ผุกใจให้มันอยู no ่ไวเช่นคาบริกรรมอะไรก็ได้ที่มันถนัดเก็บใจของเราเช่นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถ้าเราไม่อยู่ต่อหน้าคนอื่นเนี่ยเพื่อจะไม่ให้เขาหลอคานเน่ยเราไม่อยู่ต่อหน้าคนอื่นเราก็ทาได้ถ้าเกิมันฟุ้งซ่านออกมาเรก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆก็ได้ใมันเร็วๆก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยแต่พุทโธพุทโธไม่ได้ หรือว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุเนี่ยก็คือเพื่อสังเกตว่าตัวปัจจมันอยู่ด้วยกันเราเดินจงกรมอยู่ใจมันก็เดินจงกรมอยู่ใจมันอยู่กับตัวเรานั่งสมาธิอยู่ใจก็เป็นสมาธิอยู่กับตัวไม่ใช่ว่าเราเป็นนั่งอยู่ล้กดจิตให้นิ่งพุทโธพุทโธพุทโธกดจิตให้นิ่งเดินจงกรมอยู่กดจิตให้นิ่งไม่ใช่นะคือเพื่อให้ตัวกับใจนําอยู่ด้วยกันกายเดินจงกรมอยู่ใจมันก็เดินจงกรมอยู่รู้สึกอยู่ถึงการกําลังเดินอยู่กายมันนั่งอยู่ใจมันก็นั่่งอยู เนี <N> ่ยไม่ใช่นั่งอยู่แต่ใจมันลอยเดินอยู่แต่ใจลอยอย่างนี้เรียกว่าตัวกับใจมันไม่อยู่ด้วยกันไม่ใช่เดินก็ทํำใจนิ่งๆนั่งก็ทําใจนิ่งๆเนีนี่ไม่ถูกนะไม่ใช่เ <N> ออจะไปทํากดจิตมันนิ่งๆทำใจนิ่งๆบริกรรมแล้วก็ทำให้มันนิ่งเฉยอย่างนั้นไม่มีปัญญาเลยใชอย่างงั้นเ น, นี่ยแล้วก็ฝึกแบบเนี้ยฝึกให้ตัวกับใจมันอยู่ด้วยกันในขั้นของตัวกับใจอยูด้วยกันต่อไปก็ฝึกในขั้นของปัญญา ปัญญาของเราในขั้นไหนนะปัญญาของเราในขั้นที่มันถนัดนี่จะเปลี่ยนนายกายให้มัน แ, แยกแยะกายที่มันบังใจเราไม่เห็นทำเนี่ยเพราะอะไรเรายึดถือในกายตัวเราเองและยึดถือกายของคนอื่นมากยึดถือกายตัวเราเองและยึดถือร่างกายของคนอื่นมากเราหวงเรารักเขามากรักตัวเราเองมากเป็นห่วงเป็นใาญไปหมด ม, ม, มันไม่ขาดจากเยื่อใยของกายเราและกายคนอื่น เราก็ต้องแยกแยะพินาร่างกายเราเนี่ยอย่าให้มันเหลือเป็นตัวเป็นตนในในใจของเราได้เราต้องแยกแยะมันออกไม่ให้เหลือเป็นร่างกายเราเนี่ยมนรวมกันเป็นตัวเราจะแยกแยะยังไงก็ได้ขอมันหลุดออกไปทุกชิ้นส่วนในร่างกายของเราไม่ให้มันเหลือรวมกันได้วิธีแยกแยะร่างกายของเราไปก็แยกเหมือนกับว่าอะไหล่ที่เขาขายลนอะไหล่รถเชียงกงนั่นแหละเราไปดูที่พวกร้านเชียงกงที่เขา ขายอะไหล่รถอะแม้แต่รถตัวเดียวเนี่ยใครจะซื้อเขาก็แยกขายให้อะไรที่เขาขายได้เขาแยกขายให้หมดแนี่ยเขาจะขายทุกอย่างเนี่ยเขาลดทั้งคันน่ะพอเราไปดูที่ร้านเชียงกงเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ารถมันเป็นรถยี่ห่ออะไรรูปร่างมันเป็นยังไงเราเห็นแต่เครื่องยนต์มันวานระเกะระกาเห็นแต่อะไหล่วางเต็มไปหมดเลยคือมันมีแต่ชิ้นส่วนแยกกันแยกกันเต็มไปหมดเลยมองไม่เห็นรถเป็นคันเลย นั่นแน่นเราต้องแยกร่างกายเราออกจนกระทั่งมองไม่เห็นว่าเราเป็นตัวเป็นตนมีรูปร่างเป็นอย่างไรเลยแยกมันออกไปอย่างนั้นแนีะแยกขาดดีมันออกไปก่อนแยกมขมขนเล็บฟันหนงังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้น้อยไสย้ใหญ่ ม, ม้ามตับปอดหัวใจกระดูกทั้งหลายแยกออกเป็นสามร้อยตนหรือเอาไฟเผาก็ได้ทำลายไปก็ได้พวกกระดูกให้เหลือแต่โครงกระดูกแล้วก็ให้มันแตกล้ า, ไปไลาเป็นลายงานเป็นกิเต่าตุรีไปเหลื อ, อไฟเผาก็ได้ให้ทุกอย่างไม่ให้เหลือเป็นชิ้นเป็นก้อนได้เลย แยกออกทุกชิ้นทวนนั่นไหนยังแยกไปให้แยกออกไปหมดแล้วแยกอย่างเงี้ยจะเป็นความชํานาญเหมือนกับที่เขาแยกอะไหล่รถเจงโปงขายเนี่ยเขาแยกจะเป็นความชํานาญจนกระทั่งมันไม่เห็นตรากแล้วว่าเอรถคันนี้มันเป็นรถสภาพยังไงมันมันเห็นแต่อะไหล่คองเต็มไปหมดเลยจะไม่รู้ว่ารถมันมันเป็นรถยี่ห้อยังไงรูปล่างมันเป็นยังไงของเดิมแนี่ยแจนกระทั่งเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นตัวเป็นตนไม่รู้สึกว่าเราไม่มีรูปร่างยังไงตัวตนยังไงมีแต่เป็นอะไหล่ออกไปหมด ที่แยกอย่า ง, ง น, นั้นแหละจะกระทั้งสิ้นความเป็นตัวเป็นตในในใจของเราน้อมเนี่ยต้องน้อมเอามาช่วยเขา้เาไมา่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันเดี๋ยวเกิดขึ้นนี่หรือบางท่านท่านมีวาสนาเก่ามันก็เกิดขึ้นเองได้อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านท่านภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอยู่ดีๆไม่ว่าจะภาวนาอยู่ในขั้นของเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิก็เห็นตัวเองเอง่ะล้มเตงล้มตึ้งลงไปนอนตายเลย แต่ตัวเดินจงกมอยู่ก็เดินอยู่ไอ้นั่งสมาธิก็นั่งอยู่แต่ตัวของตัวเองมันเหมืนอนกับไอ้ตัวที่เดินโจงกมมันล้มลงไปตายไอ้ตัวนั่งสมาธิมันก็ล้มลงไปตายตายแล้วมันก็เนา่าคุ่นอืดพองน้ําเหลืองไหลนอนเป๊กไปหมดแหละนอนขึ้นเป๊กไปหมดกระจัดกระจายไปหม ด, หมดแหละมันเน่าแล้วบางทีเนี่ยหมามันก็มาลุมแทะเหมือนกับเป็นนิมิตหมามันมาลุมแท้กระดูกชิ้นส่วนอวัยวะมันลุมกินกัน นกแรมกันมาลุมกินสาวไสเอาขึ้นไปกินยอดไม้ทีกาเขาก็มาควักลู ก, กตาไปกินนท่านก็เห็นอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจนกระทั่งมันซากมันก็ค่อยแห้งไปแห้งไปแห้งไปกลายเป็นซากศพซากเป็นซากแห้งๆจนกระทั่งกระจายมาหาชิ้นส่วน ไ, ไดเพราะหมามันมันกัดกิน ก, กุ้ยเกี่ยก็จะกระจายไปหมดหาชิ้นเป็ น, ปนชิ้นเป็นชิ้นไม่มีเลยถ้าไม่ได้คิดจะแยกแต่ภาวนาภาวนาไปแล้วมันก็เห็นเองเกิดขึ้ น, นามาได้คุณวัฒนบารมีเก่าของท่าน แต่ส่วนใหญ่ต้องนับน้อมนำลอ้อจะรอให้มันเกิดขึ้นเองไม่ได้เพราะวานาแล้วมันไม่เกิดขึ้นเองก็ต้องน้อมนําไปถ้าขันมันยังบางธรรมอยู่ขันก็คือรูปล่างร่างกายเราเนี่ยมันยังบางธรรมมองไปเห็นธรรมเขาบอกว่าร่างกา ย, ยจิตใจคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่เราก็ไปยึดมันว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเราก็ต้องแยกมันออกอย่างนี้เนี่ยแยกมันจนกระทั่งไม่มีเหลือชิ้นดีต้องน้อมแยกไปก่อนน้อมนําไปก่อน เราจะรอให้มันเกิดขึ้นเองถ้าเราเริ่มน้อมนำไปบางทีเป็นบุญวาสนาบารมีมีมันก็เกิดขึ้นตุ่มเกิดขึ้นเองเลยเป็นเป็นมีความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาเองแต่มันน้อยหลายที่มันจะเกิดขึ้นมาเองอย่างนั้นต้องแยกไปย อ, อ, อ, อย่างเงี้ยซ้ำวันซ้ําคืนซ้ําวันซ้ําคืนอยู่เนี่ยตลอดวันตลอดคืนพอแยกเสร็จหมดทุกทิ้นส่วนแล้วหรือเน่าเปื่อยผู พ, พังจนซากสบแห้งก็จะกระจ า, ายทุกทิ้นส่วนแล้วไม่เหลืออะไรแล้ว ก็น้อมกลับมาใหม่เริ่มต้นใหม่ทั้ำอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนน้อมกลับมาใหม่อย่างเงี้ยเรียกว่ากรรมฐานในขั้นของเราถ้าเป็นอย่างเนี้ยไม่ต้องมาฝึกตัวอยู่ไหนใจอยู่ด้านทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นแล้วถ้ามาเป็นถึงขั้นนี้แล้วก็กลายไม่ว่ากลายจะทําอะไรใจเนี่ยกัดติดจดจ่ออยู่กรรมฐานนั่แยกแยะร่างกาย ให้มันกระจัด ก, กระจายให้มันมีแต่ความสกปรปกใมันเน่าป่วยผุพังขึ้นอืดทองเขียวหนอนขึ้นค่อยๆผุพังสลายแห้งกลายเป็นศพเน่าแล้วกลายเป็นกระดูกกระจัด ก, กระจายไปหมดจนหาชิ้นส่วนไม่ได้ทํำยีงี้ตั้งวันตั้งคืนไม่ว่ากายจะยืนจะเดินจะนอนจะนั่งจะทํางานอะไรขับรถไปไหนมาไหนหรือนั่งรถไปไหนมาไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดไม่ว่ากายจะทําอะไรใจมันกัดติดจดจออยู่กับกรรมฐานของตัวเองในขัานพิณากายเนี่ยเนี่ยเรียกว่า ในขั้นของปัญญาที่ขั้นสูงกว่าที่ที่ในขั้นของฝึกสติตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นเมื่อใจมันจดจ่อ ใ, ในขั้นของปัญญาเนี่ยทั้งวันทั้งคืนไม่ไม่วัก ไ, ไม่ขาดวักขาดตอนบางทีมันก็ฟุ้งซ่านไปแต่เราอย่าเปลี่ยนกรรมฐานพอมันฟุ้งซ่านไปไงอย่าเปลี่ยนกรรมฐานเราก็เปลี่ยนแง่มุมเน่ยเปลี่ยนแง่มุมไปอยีตรงนี้แง่มุมเราแยก อะไรมันแยกตัวเราเหมือนอะไรรถเชียงกงแล้วมันรู้สึกว่าตอนนี้มันแยกแห้งๆรู้สึกใจมันไม่รู้สึกโปงสลดปล่อยวางเราก็แยกเปลี่ยนมาเป็นให้มั็นร่างกายร้อน้ม่าเปื่อยผูพังสลายหนอนขึ้นอื่นพองหมดว่าเราตายแล้วต้องมีสภาพเป็นอย่างนั้นต้องน้อมเข้ามาบางทีจิตมันก็หดตัวเข้ามาจากความฟุ้งซ่านแต่ว่าจะมันหดทันทีนะเราต้องพลิกแง่มุมต่างๆ แต่อย่าหลุดออกไปจากกรรมฐานคืออย่าหลุดออกไปจากอนนีจังทุกขังอนันตาคือร่างกายที่มันเน่าเปื่อยผุพังที่มันที่มันแตกเป็นชิ้นส่วนอะไรออกแยกออกเป็ น, เ ป, นเป็นทุกชิ้นส่วนแยกออกไปเป็นเหมือนอะไรรถเชียงกงหรือว่าทำ ต, ตายก็ให้มันตายในแง่มุมต่างๆหรือเอาเปียกเอาข้างนอกมาเปรียบเทียบเช่นซากศพซูนามิที่มันตายจํานวนมากเขาเก็บศพไม่ทำมันคุ้ดปูดเน่าของเคียวไปหมดอย่างงี้เนี่ย ต้นตาลหลนไปหมดแล้วเน่าเล็กเฟะไปหมดเนี่ยตัวร้อยจุก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยต้องหาแง่มุมแง่ใดแง่หนึ่งมาอยู่ในในวงกรรมฐานของเราจะหลุดออกไปพุ๊นู่นเลยข้ามไปถึงนู่นพุโต้พุโตพุโ ต, โตหรือข้ามไปอะไรนู่นเลยถ้าเรากัดติดอยู่ในวงกรรมฐานของเรามันจะไม่หลุดไกลมันจะไม่หลุดไกลมันจะไม่ถึงกับไหลตกจากต้นตาลงมาถึงโคนเลยแต่ถ้าเรามีความประมาทเราปล่อยวางกรรมฐานของเราไป โน่นแน่มั น, นมตกถึงโคลนโน่นแนะมันก็ต้องเริ่มพุทโธมาใหม่เริ่มต้นบริกรรมมาใหม่เริ่มต้นกรรมฐานแต่เบื้องต้นขึ้นมาใหม่จนกว่ามันจะมีความสงบแล้วก็เราก็พิจารณาซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำอี ก, อ ก, อกในกรรมฐานของเราเราก็เห็นโทษที่เราปล่อยปล่อยปะละเลยปล่อยกรรมฐานของเราไปเราต้องผูกกว่าจะเราจะเอากลับมาได้กว่าจะมาถึงในขั้นที่เราใช้ปัญญาพิจารณายอยู่มันไม่ยอมเลยเวลากลับมาพิจารณาในแง่เก่ามันก็ไม่ยอมต้องหาแง่มุมมา แค่มุมต่างๆมาในในขั้นวงกรรมฐานของเราที่มันเน่าเฟื่อยผุพังที่มันที่มันเป็นมรณานุสติสุภากรรมฐานมรณานะสติอยู่ในแวกในวงกรรมฐานของเรานะ่ยอย่าไปหลุดจากมรณานุสติบางทีเราก็เอาอินเทอร์เน็ตมาดูรูปภาพเน่าเน่าเน่าเน า, นามันมีเยอะพิมพ์เข้าไปว่ามรณา น, านุสติมันขึ้นเต็มเลยภาพเาพนา่นาเน่าศพเน่าเนนี่เต็มไปหมดบางทีภาพบางภาพปกรรติดตาติดใจอันนั้นน่ยดีมากเลยก็นึกน้อมเอานึกน้อมมาเลยอะตัวเราเนี่ยไปเป็นอย่างนั้น ที่สุดก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเมื่อเป็นว่าตัวเราที่สุดก็เป็นอย่างเงี้ยบางทีนึกน้อไปมาสะอิษเอียนเนี่ยมันหลงแล้วมีอารมณ์ก็ไปร่วมเราต้องข้ามสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้เอาแต่ความจริงเอาแต่ความจริงที่เกิดขึ้นจริงแล้วเราที่สุดเราก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละที่สุดก็เป็นนี้อย่าไปเ ส, ส่อิสเอียนกับมันอันนี้มันหลงหลงอารมณ์เรียกว่าหลงอารมณ์ถ้าอย่างเงี้ยเราเห็นโทษของของว่าที่เราปล่อยผ่าแล้วเลยบางทีกรรมฐานทำกรรมฐานอยู่ดีๆแล้วเราปล่อยสติ ปล่อยสมาธิปล่อยปัญญาในแก่นกรรมฐานของเราไปมันก็ตกต้นตาล น, นี่กแ็แหละตกต้นอพ้าไปถึงโคเลยเนะี่ยก็ต้องทํากรรมฐานขึ้นมาใหม่พุโทโธพุโทโธพุโทโธกว่าจะย้อนกลับมาถึงกรรมฐานในขก่นของตัวเองก็ต้องเสียเวลาไปมากถ้าทําแบบเนี้ยตายไปกี่ชาติมันก็ไม่ทันหรอกถ้า ท, ทําจริงๆกว้า ง, ง, งๆแบบเนี้ยมันกัดติดแล้วก็ต้องกัดติดในกรรมฐานของตัวเองเนะี่ยมันจะไม่ตกต้นตาล ถ้าเรายังกับติดอยู่ปัญญามันไม่ปิ้งในขั้นของเราเนี่ยมันยังไม่ปงปล่อยวางในขั้นของการปล่อยวางร่างกายเนี่ยเราต้องไม่มีวันเลิกรากับติดมันในขั้นของกรร ม, มฐานในร่างกายต้องละแยกแยะร่างกายพิจารณา่างกายเนี่ยในแง่มุมต่างๆไม่มีวันเลิกลาเลยหาแง่มุมนั้นมาพิจารณาแง่มุมนี้มาพิจารณาน้อมเอาข้างนอกเข้ามาเปรียบเทียบข้าในน้อมมาข้างในอ่อยเปรียบเทียบข้านอกจากศพที่เน่าเน่าในภายนอกเยอะแยะไปในเหตุการณ์สึนามิเนี่ยเราก็น้อมเข้า เปรียบเทียบกันทั้งในข้างนอกข้างนอกข้างในน้องมันอย่างเนี้ยเราจะเปลี่ยนกรรมฐานไม่ใช่เปลี่ยนไปอย่างอื่นไปเลยอย่างเงี้ยมันกําลังกรรมฐานอยู่ในวงอันเนี้ยในวงของความตายเน่าเปื่อยผุพังก็มันคอยพิจารณาในแง่มุมต่างๆหารูปแบบในแง่มุมต่างๆเข้ามาพิจารณาน้องเปรียบเทียบข้างในกับข้างนอกข้างนอกกับข้างในวนไปวนมาอย่างเนี้ยไม่หลุดจากวงกรรมฐานในมรรณานุสติพิจารณาร่างกายให้เนาเปื่อยผุพัง สลายไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเป็นอากาศธาตุไปหมดพินาอยู่ในวงอย่างนี้ยพอสติเป็นมีความเป็นอยู่โดยไม่ปล่อยวางสติสมาธิปัญญา ต, ติดจดจ่ออยู่กับในวงกรรมฐานของเรามันจะไม่ไหลตกไปจนถึงตกคนตกไปค น, ต, ปคนต้นอะพร้าต้นตาล น, นูน่นแหะไม่ต้องบริกรรมขุ้มใหม่ไม่ต้องไปทํากรรมฐานในขั้นบริกรรมในขั้นจดจ่อในขั้นรู้ต่อทานมันพุ่งพลาดแล้วรู้ต่อทานพุ่งพาดแล้วรู้ต่อทานให้สติอยู่กับตัวอยู่กัน ไอ้นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทํำลายใจอยู่กับสิ่งนั้นนีกมันไม่ต้องไปเริ่มต้นกรรมฐานในขั้นของปฐมในขั้นมัธยมขั้นอนุบาลขึ้นมาอีกอะไม่งั้นนเนออกเสียเวลาเปล่ามากถ้าเราไม่ทิ้งอ่ะสติปัญญาที่มันจดจ่ออยู่ในการกรรมฐานเรามันจะตกไป่ถึงคนต้นตาลหรามันตกมาทีดเดียวเราก็จับไม่ได้แล้วถ้ามันทิ้งนาแล้วมันแห้งแรงรู้สึกว่าแห้งแรงมันไม่รู้สึกว่าจิตใจมันไม่ไม่สลดสังเวกเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแง่มุมต่างๆแต่เปลี่ยนแง่มุมอยู่ในวงกรรมฐานของตัวเองจะหลุดจากวงกรร ไม่ช้าหรอกถ้าเราไม่ทิ้งสติสมาธิปัญญาที่เดินหน้าในวงกรรมฐานของตัวเองกรรมฐานกับใจของเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันคือมันไม่หลุดไปเลยไปเรื่องอื่นเลยมันอยู่แต่เรื่องเดียวไม่ว่าจะกายจะทํางานอะไรไม่ว่าจะยืนเดินนัน่งนอนกินเข้าออห้องน้ำห้องส้วมดื่มกินเดินทางไปไหนมาไหนกรรมฐานกับใจมันเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดเวลาไม่แยกกันไปเลยคือบสากศพตายเราเป็นคนตายนอกเปผยปุพัง เป็นนายแง่ไหนใจมันก็ไม่ไม่มีหลุดไปเรื่องอื่นเราหยุดแต่ในวงกรรมฐานนั่นเองใจกับกรรมฐานกลายเป็นหนึ่งเดียวกันไปซะแล้วเรามีความรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมันตกกระแสแล้วนับแต่ใจกับกรรมฐานเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าจะกินยิไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนข่องน้านมองท่วมดื่มกินเดินทางไปไหนมาไหนทํางานกายทํางานอะไรแต่ใจไม่เคยพลากจากกรรมฐานเลยกรรมฐานกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้คือ ในความรู้สึกของเราผู้นั้นเริ่มตกตะแสแล้วและไม่ช้าแล้วพอมันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเนี่ยมันแทบความเพียรที่จะให้ใจกับกรรมฐานเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยความเพียร น, นั้นแทบจะไม่ต้องใช้ที่ให้เด็ดเหนื่อยต่อไปแล้วเพราะมันเป็นหนึ่งเดียวกันมันแน่วไปเลยหลังจากนั้นไม่ขี่ไม่ไม่นานไม่นานเลย ใจมันก็ปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมั่นในในกายตนและกายคนอื่นไปโดยทิ้นเชิงใจมันก็วางปึ้มลงไปเลยโลกกระทาภายในและโลกกระทาภายนอกมันก็เหมือนกับมันระเบิดเป็นทะลุถึงกันนะเนี่ยสะเทือนเดือนล้านไปทั่วโลกกระทาสะเทือนออกไปจากใจนเนียนะ่ยทะลุไปตกตะลึงไปเจ้าตัวก็จะตกตะลึงอยู่ตกตะลึงนานมากเลย นั่นแน่เราว่าผู้นั้นเนี่ยบรรลุพระโสดาบันแล้วจะไปเกิดใหม่อีกในภพทั้งสามกามาภพลุภพบรรลุภพอีกไม่เกินเจ็ดชาติไม่เกินเจ็ดครั้งไม่ตกอบายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดชานเปตอาศุลกายสัตว์นรกอีกแล้วมีแต่เกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาเท่านั้นไม่เกินเจ็ดครั้งก็บรรลุอนิพานไป มันจึงเป็นความระเบิดออกมาจากภายในหรือระเบิดระเบิดไอแรงดึงดูดของโลกสองสามเนี่ยที่มีต่อจิตวิญญาณของดวงนั้นเนี่ยมันหมดอิทธิพลไปคือมันจะต้อง ด, ดูแรงดึงดูดของโลกสองสามจะต้องเหมือนกับแรงดึงดูดของโลกสามเนี่ยมันดึงดูดจลวดทวทีติจะบินออกไปนอกนอกอวากาศอ่ะคือบินหนีชั้นบรรยากาศของโลกไปก็ต้องใช้ แรงระเบิดตัวเองถีบหนีออกไปเพื่อเอากระสวยอวกาศทลุกออกไปสู่อวกาศต้องใช้ถังถังเชื้อเพลิงตุดทาที่ระเบิดตัวเองออกไปบึ้มแล้วก็ดีตัวเองออกไปเพื่อดันเอากระสวยอวกาศออกไปสูน่นอกนอกอวกาศเนินไปสู่อวกาศไปสู่นอกชั้นบรรยากาศแล้วก็ไอถังเชื้อเพลิงที่อตุดทาที่มันเอาไปใช้ก็ทิ้งลงมาในชั้นบรรยากาศก็ถูกไฟไหม้ไปไม่ถึงโลก เพราะนั้นในโลกทั้งสามเนี่ยมันก็นมีแรงดึงดูดดูดเอาเนี่ยจิตวิญญาณของผู้ที่ยังไม่ไป่จิตกิเลสเนี่ยยังไม่ปล่อยวางสังขารร่างกายตนและและร่างกายจิตใจของตนเองและร่างกายจิตใจของคนอื่นเนี่ยมันก็ดูดเอาเข้าไปในโลกทั้งสามนี่แหละมีแรงดึงดูดเมื่อมันพิจารณาจนปล่อยวางร่างกายตนมันก็จะปล่อยวางร่างกายของอื่นไปโดยอัตโนมัติแรงดดูดของโลกทั้งสามมันจงหมดความหมายไป จึงหมดพลังหมดอำนาจไปเยอะมากเพราะว่ามันไปเกิดอีกดูดได้ไปเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาดหรือเจ็ดครั้งและดูดได้แค่สวรรค์กับมนุษย์เท่านั้นโลกอบายไปไม่ได้สตัตว์ทะเลชานเปรตอสุรกายตัดนรกไปไม่ได้ปิดอบายมันจึงมีคุณค่ามากนะมีคุณค่าต่อเรามากมีคุณค่าต่อต่อทุกท่านเนี่ยคําสอนพระเจ้าเนี่ยที่พระองค์ค้นพบเนี่ยมีคุณค่ามาหาศาลมันทําให้เราเนี่ย ต้องพ้นอาบายด้วยพ้นการเป็นไร้ใจเกิดไปหลายภพหลายชาติเปน็นนั้นนั้นเราอาจจะไปเกิดอีกเป็นแสนแสนกับแต่มันย่นมาเหลือแค่ไม่เกินเจ็ดครั้งแค่นั้นเองมันจึงยิ่งใหญ่ขนาดนะไหนคิดดูฮะเมื่อมันปล่อยวางสังขารร่างกายตัวเองหมดแล้วเนี่ยเดินไปไหนมาไหนมันเหมือนไม่มีกายอยู่แล้วในโลกนี้เดินมาไหนไปไหนไม่มีน้าหนักไม่มีทั้งร่างกายไม่มีทำน้าหนัก แต่เอามือจับตัวทีไรก็ร่างกายก็มีอยู่จับแขนจับขาจับตัวจับหัวก็ยังมีอยู่แต่ทำไมเป็นคนไม่มีตัวเหมือนคนไม่มีตัวอยู่อย่างนั้นตลอดไปและเป็นคนที่ไม่มีน้ำหนักตลอดไปเดินไปไหนมาไหนมันเหมือนจะลอยขึ้นไปบนยอดไม้ยอดนี้แล้วมันก็เฮิไปไกลแสนไกลได้เป็นหลายลหลายหลา ย, หลายกิโลอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับขึ้นไปยืนอยู่บนยอดหญ้ายอดหญ้ายังไม่ยับลงมาเลยมันเป็นความรู้สึกที่แปลก แล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเมื่อลูประขันคือร่างกายตนหมดอำนาจหมดอิทธิพลที่มาบางังบังทำไปแล้วคือบังทาก็เลยทำให้เราเนี่ยสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนว่าเป็นนี่เป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือเราเนี่ยคือร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราคือเราเป็นเป็นตัวนี้ ตัวที่มีรูปร่างแบบนี้มันหมดความหมายไปจิตใจเหลือแต่ความว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากรูปร่างว่างเปล่าจากน้ําหนักเดินแมไหนแม่ไหนเป็นคนไม่มีร่างกายไม่มีน้ําหนักตอนนี้มันเหลืออะไรเหลือนมามขันคือคจิตใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันยังมีอยู่ในความรู้สึกแต่ว่าไม่ใช่ร่างกายเราหายตัวจริงๆนะคือร่างกายมันมีอยู่แต่มันมีความรู้สึกเหมือนไม่มีร่างกาย ร่างกายมีน้ำหนักอยู่เหมือนคนไม่มีน้ำหนักมันเหมือนกับลักบินอวกาศที่ไปอยู่นอกโลกไปอยู่นอกชั้นบรรยากาศมีน้ำหนักอยู่แต่ลอยไปลอยมาไม่สามารถที่จะเอมีน้ำหนักยืนอยู่ได้ดังใจนึกเพราะว่ามันลอยไปลอยมาต้องเอคอยเอาเชือกผูกไว้เอาอะไรผูกไว้ไม่ให้ตัวลอยออกไปนอกนอกนอกน อ, กอวกาศเพราะว่ามันไม่มีน้ำหนักเหมือนคนไม่มีน้ำหนักแต่แนคือ ทำไมมันไม่มีน้ำหนักล่ะก็แรงดึงดูดของโลกทั้งสามมันหมดสภาพไปแล้วนะเหมือนนักบินอวกาศที่ไปอยู่นอกชั้นบรรยากาศแรงมันก็เลยหมดสภาพของแรงดึงดูดของชั้นบรรยากาศของโลกเพราะมันพ้นแรงดึงดูดของโลกไปแล้วไปอยู่นอกนอกชั้นอวกาศหมดหมดจากอำนาจแรงดึงดูดของโลกไปแล้วมันเลยไม่มีน้ำหนักลอยไปลอยมาไม่แต่มีน้ำหนักอยู่แต่โลกแรงดึงดูดของโลกหมดไม่มีอิทธิพลซแล้ว คนที่บรรลุโสดาบันแล้วแรงดึงดูดของโลกทั้งสามก็หมดอิทธิพลไปมันก็เลยมีน้ำหนักแต่เหมือนคนไม่มีน้ำหนักมันก็เหมือนคนที่อยู่ชั้นอวากาศนั่นแหละตอนนี้ก็หมดปัญหาไปเรื่องกายไปแล้วเพราะว่าเมือม่อมายึดมั่นถือมั่นเอาร่างกายตนเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวลาเป็นตัวนตวนตวตวตวของเราแล้วแต่ในในใจมันจะมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นปัญหาอยู่ที่ไม่ยึดกายแล้วแต่ยังยึ ด, ดจิตใจว่าจิตใจนี้ เป็นเราเป็นตัวตนของเราหรือเราเป็นเจ้าของจิตใจที่มีความรู้สึกมึกิดอารมณ์นี้ไม่ยึดกายแต่ยังยึดจิตอยู่ที่แสดงความรู้สึกมึกิดอารมณ์เพราะความยึดยังมีอยู่ในจิตมันจึงยังเกิดอีกเจ็ดชาติแก่ยัง่ิตยังเกิดอีกไม่เกิดเจ็ดชาติเพราะยังความยึดจิตมันยังมีอยู่ว่าจิตนี้ไม่ยึดกายแล้วแต่ยึดจิตนี้ว่าจิตก็คือความรู้สึกมึกิดอารมณ์ว่าเรานี่เป็นเราเป็นจิตเราเป็นตัวตนของเรา หรือเราตัวเราคือจิตนี้เมื่อร่างกายมันหายไปจากความรู้สึกในใจน้าหนักของร่างกายก็หายไปด้วยหรือแต่ความว่างเปล่าอยู่ตลอดเวลามันก็มีแต่ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์คือ น, นมามขันที่เป็นฝ่ายจิตใจแสดงเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ในประการต่างๆก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในความว่างเปล่าเพราะมันไม่มีร่างกายอยู่แล้วไม่มีน้ำหนักของกายในความรู้สึกมันเลยในความรู้สึกไม่มีตัวตนมีแต่จิตที่แสดงกิริยาการเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ในแต่ละขณะจิตปัจจุบนันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในความว่างเปล่ามันมีลักษณะเหมือนกับว่าแสงหิ่งห้อยที่มันสว่างวาบมาในอากาศ แล้วก็ดับหายไปแล้วก็มีแสงหิงห้อยตัวใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแสงหิงห้อยแต่ละตัวแต่ละขณะที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปก็ผัดกันเกิดผัดกันดับจีอย่างนั้นคือขณะจิตในปัจจุบันแต่ละขณะจิตที่เป็นความรู้สึกเมื่อกิจอารมณ์ที่ผัดกันเกิดผัดกันดับไป เปรียบเหมือนแสงยิงห้อยที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้ดับไปไม่ได้มีความรู้สึกว่าเกิดขึ้นในตัวหรือเกิดขึ้นนอกตัวแต่มันเกิดขึ้นอยู่ในความว่างเปล่าเพราะไม่มีตัวตนไม่มีในจคการรู้สึกแล้วมันเกิดขึ้นในใจที่ว่างเปล่าไม่มีตัวใจเดินไม่มีความรู้สึกมีตัวใจแต่มันเหมือนเกิดขึ้นอยู่ในอากาศความรู้สึกนึกเกณอารมณ์ทุกขณะมันเกิดขึ้นดับตั้งอยู่ดับไปเหมือนแสงยิงห้อยที่เกิดอยู่ในอากาศ ทาก็ปรากฏว่าการที่เห็นกิริยาการของจิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นยังหยาบอยู่เพราะต้องเห็นสามหน้าให้พึงเห็นว่าทุกกิริยาการของจิตนั้นเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมานั้นมีแต่ดับไปดับไปดับไปไม่ต้อง ไม่พึงสนใจหน้าที่เกิดขึ้นและตั้งอยู่ให้พึงสนใจเห็นแต่ว่าทุกกิริยาการของจิตที่เกิดขึ้นในความว่างเปล่านั้นมีแต่ดับไปดับไปดับไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นปัญญามันก็เห็นตามนั้นไปเลยเห็นจริงตามนั้นคือมันเห็นอยู่แล้วเดว็เหมือนกับเห็นอยู่แล้วเดดตาใน มันก็เห็นแบบนั้นไปเลยตามไปเลยปัญญาเห็นมีแบบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมีแต่ดับไปดับไปดับไปดับไปเป็นธรรมดามันก็ปล่อยวางความหลงยึดมั่นหรือมั่นในนามอาคารหรือในจิตใจที่สแสดงความรู้สึกมือคิดอารมณ์ในแต่ละขณะจิตว่าจิตนี้จิตหรือใจนี้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นจิตใจของเราหรือเป็นตัวตนของเราหรือตัวเราคือจิตใจนี้ ความหลงอันนี้ก็หมดสิ้นไปเมื่อปล่อยวางจิตไปอีกทีสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นในจิตใจของตัวเองที่แสดงความรู้สึกบุคอารมณ์ทุกปฏิยาการที่เกิดขึ้นไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นปล่อยวางจิตในขั้นเนี้ความอัศจรรย์ที่มันเรียกว่าแรงดึงดูดของโลกาธาตุทั้งสามที่มันสิ้นอนํานาจฤลธิ อ, อิทธิพลต่อกายตนนั้นไปตั้งไม่รู้กี่ ที่แสนกับของที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดหรืออีกไม่เกินเจ็ดกับเนี่ยมันระเบิดอีกทีหนึงนี่กับภายในโลกธาตุภายในที่แตกระเบิดออกมันสิ้นอิทธิพลต่อจิตไปด้วยไม่ได้ว่าสิ้นอิทธิพลต่อกายอย่างเดียวซะแล้วมันสิ้นอิทธิพลต่อจิตวิญญาณของโน่นนั้นไปด้วยมันไม่สามารถทําให้จิตวิญญาณของโน่นนั้นไปเกิดในร่างใดได้ต่อไปอ น, นี่การปฏิบัติ ขั้นตอนนั้นก็ปฏิบัติเป็นมาอย่างนี้นไะงเรียงลําดับแบบนี้ในขั้นตอนแต่ไม่ใช่ว่าการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องเรียงลําดับเป๊ะเหมือนที่เราพูดอย่างนี้คือนี่เป็นเพียงแนวทางที่เราจะน้อมนําไปปฏิบัติให้มันตรงกับจริตนิสัยของเราที่เราเลือกเอาเราต้องรู้เองว่า ขันเนี่ยรู้ไม่ทันขันบางธรรมขันนะ่ะลูก ป, ประขันและนามะขันมันบางธรรมเสียหมดมันยึดเอาร่างกายซึ่งเป็นรูก ป, ประขันและนามะขันคือความรู้สึกมันกิจอารมณ์ฝ่ายจิตใจเนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือตัวเราคือร่างกายใจิตใจนี้มันไปนยึดเอาเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําลายความเป็นตัวตนให้หมดไปจากใจเราเราจรึงจะสิ้นความยึดมั่นถึงมันได้ น้อยคนนะเฉพาะคนที่มีปัญญาเป็นเลิเห็นว่าร่างกายจิตใจซึ่งเป็นขันหานี้เป็นสังขารปรุงแต่งทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่มาปรุงแต่งเกิดขึ้นในโลกนี้ที่หลับเมื่อสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่มาผสมกันสเปิร์มเป็นธาตุดินไข่ของแม่เป็นน้ำวุ้น เป็นธาตุน้ำมันเริ่มต้นด้วยธาตุดินกับธาตุน้ำมาผสมกันคือสเปิร์มกับไข่แล้วแม่ก็หายใจเอาอากาศเข้าไปเอาธาตุลมเข้าไปเอาเข้าไปสันดาบเอาความร้อนเข้าไปเอาธาตุไฟเข้าไปเอาไปสันดาบกันให้เกิดความร้อนแล้วก็เกิดปฏิริยาผสมกันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเป็นหยดเลือดเล็ก ความจริงไม่ถึงว่าเป็นหยดเลือดนะเท่ากับว่าเหมือนกับหยดน้าค้างเล็กๆที่ปลายติดกับป่า ย, ยอดยาในร่างกายคือธาตุดินน้ําลมไฟที่เป็นรูปร่างของเราเนี่ยมันโตขึ้นมาจากสืเปิ่มกับไข่แล้วแม่ก็กินเอาลมธาตุลมธาตุไปเข้าไปแล้วแม่ก็กินเอาซากซืชซากสาัตว์เข้าไปซากสัตว์ก็เป็นซากสัตว์ที่ตายตายเอาเข้าไปให้น้ําเลือดน้ําเหลืองอ่ะเอาเข้าไปเลี้ยงเรา ให้ตัวเนี่ยน้ำจดเลือดเนี่ยมันโตขึ้นเรื่อยๆตัวขึ้นเรื่อยๆ เ, เราไม่ได้เป็นตัวตนแบบมีรูปร่างของเราแบบนี้ลอยมาจากฟ้าไอตัวที่มานั่งอยู่นี้มันเป็นของที่ผสมกันระหว่างสเปิร์มกับไข่คือธาตุดินกับธาตุน้ําแล้วก็ลมหายใจแล้วธาตุไฟธาตุลมธาตุไฟแล้วก็สร้สางพืชสร้างสัตว์ที่น้าเลือดน้ําเหลืองที่ดูกะเอาเข้าไปกินแล้วมันก็เลยพองพองพองพอ ง, พ อ, งออกมาเนี่ย จะมานั่งฟังทำเราได้เนี่ยไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเราที่ลอยมาจากฟ้าไอ้ที่มันลอยมาระเปียกมันมันลอยมาจากฟ้ามคืออะไรคือวิญญาณหรือจิตหรือใจหรือธาตุรู้เนี่ยวันมีคุณสมบัติพาดไม่ได้หมายถึงก้อนธาตุคือคุณสมบัติมันคือความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยมีแต่รู้รู้ก็ไม่มีตัวตนของผู้รู้ด้วยเป็นความไม่มีตัวตนแต่รู้ได้ และไม่มีตัวผู้รู้ด้วยไม่มีตัวตวนอะไเลย<ๆ>นั่นแหละคือจิตหรือวิญญาณหรือธาตุรู้นี่เนี่ยมันมาผสมกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟซึ่งเป็นสเปิร์มผสมกับไข่แล้วก็เอาธาตุลมธาตุไฟเข้าไปพอมันร่างกายผสมกันเสร็จมันก็เลยมีความรู้สึกหรือคิดอารมณ์ขึ้นมาเมื่อระบบในร่างกายมันครบถ้วนแล้วก็มีนาำมาขันคือความรู้สึกหรือคิดอารมณ์ขึ้นมาจําได้ว่าเรามีรูปร่างเป็นอย่างไรพ่อแม่ มีรูปร่างเป็นยังไงจําได้ว่าใครต่อใครเป็นยังไงมันจำได้หมดแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกมีคิดอารมณ์ไปตามความจํานั้นรูปปัจขันนามขันหรือนามขันรูปปัจขันที่ออกมาเป็นรูปร่างเนี่ยมันเป็นของที่มาปรุงแต่งเอาในโลกที่หลังเราคือจิตหรือวิญญาณหรือใจจิตหรือใจหรือวิญญาณหรือมโนหรือจะเรียกว่าธาตุรู้หรือจะเรียกว่าพุทธะแต่ยังเรียกว่าพุทธะไม่ได้ เพราะวิญญาณนั้นยังประกอบไปด้วยความหลงอยู่อวิชชามันยังเป็นวิญญาที่ประกอบไปด้วยอวิชชาคือความหลงยึดอะไรหลงยึดร่างกายหลงยึดความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ จ, จิจจตใจซึ่งเป็นนามขันที่มันเกิดขึ้นใหม่ในโลกปัจจุบันในแต่ละโลกแต่ละแต่ละชาติไปที่เราไปเกิดไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรในแต่ละชาติ ก็ไปยึดเอาไอ้รูปร่างในชาตินั้นๆที่มันเป็นสัตว์ปีกบ้างเป็นสัตว์เลื้อยคานบ้างเป็นสัตว์สองขาสัตว์สี่ขาทีสัตว์เป็นหนอนบ้างเป็นแมลงบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายสัตว์นรกเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์ที่หน้าตาเปลี่ยนไปไปยึดเอาไอ้ตัวที่เปลี่ยนไปใหม่ที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างใหม่ๆตามสภาพของร่างกายที่เปลี่ยนไปรูปร่างที่เปลี่ยนไปไปยึดเอาอย่างใหม่เรื่อยไปว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเรา ความหลงยึดปิดตัวแบบเนี้ยเลยลืมไปว่าเราเนี่ยคือวิ จ, จิตหรือวิญญาณหรือใจหรือธาตุรู้หรือหรือเรียกว่าธาตุอะไรก็ได้หรือเรียกวิญญาณอะไรก็ได้ที่มันมีสภาพเป็นความว่างเปล่าเนี่ยจริงๆมันมันเป็นความว่างที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยมีแต่รู้ตัวตนของผู้รู้ก็ไม่มีนั่นแน่คือสิ่งที่เราในที่เข้ามาผสมแต่ตัวเราไม่มีหรอกเราพูดกันให้เข้าใจเพื่อให้เห็นว่าเรามันคืออะไร เราเนี่ยคือสิ่งที่มันเพิ่งเข้ามาผสมกับร่างต่างๆที่เราเปลี่ยนร่างไปในแต่ละร่างแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างใหม่ในร่างนั้นๆแต่เมื่อเราออกมาแล้วคลอดออกมาแล้วเรากลับมายึดเอาไอ้ตัวที่เป็นรูปร่างหน้าตาอย่างใหม่ๆเนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างใหม่เนี่ยเป็นเราเป็นตัวตนของเราเราหลงอย่างนี้เป็นทุกชาติเลยมาเป็นอวิชชาให้ความหลงนี้เป็นอวิชชามันเลยเป็นอวิชชาเพราะว่าเรายังไม่ชิ้นความหลง เม네 like nice. ื่อไม่สิ้นความหลงเอาไอ้ต lim ัวตนรูปร่างหน้าตาอย่างเราเนี่ยเราจำเอาไว้ว่าเรามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรเป็นความจำเอาไว้เมื่อเราจําว่าเรามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรคือเรายึดไอ้ตัวเราไอ้ตัวเราที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ที่เราตกกระจกส่งกระจกเราส่องกระจกแล้วเราจําได้ว่าเรามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรเป็นตัวเรามันก็จําไว้และยึดไว้ในความรู้สึกเวลาตายไปแล้วเวลาสิ้นลมหายใจมันตายแต่กายเนื้อ ตายแต่กายเนื้อแต่กายในไม่ได้ดับกายในคืออะไรกายที่เราสร้างไว้ในความรู้สึกว่าเรามีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยมันไม่ได้ดับมันกระเด็นออกจากล่างนี้ไปทันทีเมื่อเราสิ้นลมหายใจทันทีเลยนะแต่ออกไปยังไงออกไปที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนเราเดะเลยเพราะอะไรเราจำไว้สร้างไว้ในความรู้สึกว่าเราเนี่ยมีรูปร่างแบบนี้นี่คือตัวเราตัวตนของเรา เราไม่ได้เข้าถึงความจริงว่าเราเนี่ยคือความว่างคือความไม่มีตัวตนคือวิญญาณหรือจิตหรือใจหรือธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุธาตุนี่แปลว่าคุณสมบัติของเราก็คือความว่างคือความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยมีแต่รู้ไม่มีกิยาการใดๆทั้งหมดเรายังมีชีวิตตอนมีชีวิตอยู่เรายังเข้าไม่ถึงว่าเราคือใครใครคือเรากันแน่เราคือธาตุว่างนั้นซึ่งรู้ได้แต่เรากลับไปยึดเอาเอง เราที่มีรูปร่างหน้าตาอย่างใหม่มีความรู้สึกในคิดอารมณ์อย่างใหม่ในแต่ละชาติแต่ละชาติว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเราแล้วเราก็จับไว้ว่าเรามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรเราก็ยึดเมื่อเรายึดไอ้ตัวนั้นว่าเป็นตัวเราซะแล้วเวลาออกจากร่างไปมันเลยไอ้ร่างกายเราเนี่ยมันตายแต่กายเนื้อไอ้กายที่เรายึดไว้ที่มันสร้างไว้ในความรู้สึกว่าเรารูปร่างเป็นยังไงมันก็เลยกระเด็นออกไปเป็นรูปร่างแบบนั้นแต่ความทุกข์ใจหาได้หมดไปไหมในงานศพแต่ละงาน ไอ้ตัวที่มีรูปร่างเหมืนกายเนื้อน่ะเนี่ยมันก็เชื่อมันร้องไห้อยู่ในงานศพของตัวเองความทุกข์ไม่ได้หมดไปใครคิดว่าเชือดคอตายฆ่าตัวตายแล้วความทุกข์จะหมดไปมันไม่ได้หมดไปเนาะมันตายไปแต่ร่างกายเนื้อแต่กายในเนี่ยหรือเป็นกายปรองค์แสงเนี่ยมันไม่ตายที่มันยึดไว้ว่าร่างกายเนี่ยคือตัวเราตัวตนของเรามีร่างกายแบบนี้มันไม่ได้ตาย ความทุกข์มันก็เลยไม่ได้ตายเพราะว่าไอ้กายไอ้กายในกายปร่งแสงเนี่ยมันไม่ได้ตายมันก็เลยความทุกข์มันก็ติดอยู่ที่ไอกกายปร่งแสงนั่นแล้วก็จะร้องไห้อยู่ในงานศพของตัวเองศพแล้วศพเล่าก็เป็นอย่างนั้นความทุกข์ไม่ได้หมดไปเลยแต่หน้าสลดสังเวชคือคนที่มางานศพทั้งหลายเขาไม่สามารถช่วยได้เลยเขาไม่เห็นเลยว่าตัวเองมีความทุกข์ ต่อตอนเรามีชีวิตยอยู่เนี่ยเราล้อให้เราเสียใจมีแต่คนตอบมีแต่คนช่วยแต่ในโลกนั้นไม่มีใครช่วยเราเราทุกอยู่ตัวคนเดียวเมื่อเขาเผาศพเราเสร็จแล้วเขาก็จากไปหมดแต่เรานั่ยแหละทุกโศกเศร้าเสียใจอยู่คนเดียวโลกนั้นไม่มีใครช่วยเรา เราจะช่วยตัวเราเองเราก็ต้องช่วยตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่เ น, นี่ยนเมื่อรา่างกายนี้แตกตัดไปแล้วเราก็ช่วยตัวเราเองไม่ได้เรามีแต่ความทุกข์อย่างไหนก็ทุกอย่างนั้นแหลแต่ถ้ายิงฆ่าตัวตายนี่กว่าความทุกข์จะตายไปกรรมเก่าก็ใช้นี้ไม่หมดเพราะฆ่าตัวหนีกรรมเก่าที่ตอนรับโทษไว้มันยังต้องบวกกรรมใหม่อีกคือเกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งใดก็ต้องฆ่าตัวตายอีกห้าร้อยชาติ ความทุกข์ของเก่าก็บวกกับความทุกข์ของใหม่อีกไหมตัวที่โปร่งแฝงก็ยังไม่ตายแล้วซ้ำหลายวันนั้นยมทมูตหรือนานิรบาลหรือยมบาลก็มาลากเอาไปมาแต่ละครั้งก็เอาส า, งงามง้ามมาสองตนมาแทงเอาไปมาลากทุลุทุ ก, กังเอาไปเพราะใครเราจะยอมไปนรก ใครราจะยอมไปถูกวิพากษาไม่มีใครยอมไปหรอกจึงต้องมาสองตนแล้วก็แทงเอาลากทูรูดถู ก, กลางไปแม่ในศาสนาอื่นก็ต้องมีผู้เอาไปเหมือนกันในศาสนาของเขาไม่พ้นเพราะกายในซึ่งเป็นกายโปร่งแสงเนี่ยกายที่ยึดถือไว้มันไม่ดับมันไม่สิ้นความยึดถือนอกจากประเด็นออกมาทุกในงานศพตัวเองแล้วสุดท้ายยังต้องถูกลากถูรูดถู ก, กลางไปลงโทษ ที่พระองค์ตัดว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีกนั้นแทบไม่มีเปอร์เซ็นต์ไปอาบายทั้งนั้นต้องไปเกิดเป็นสัตว์ระจานเป็ดหรอสุตกายสัตว์นร ก, รกเหมือนกับไปถูกลงโทษติดถูกพิพากษาติดคุกติดตารางตายแล้วในนรกแล้วก็ต้องฟื้นทันทีร้องโหยหวนถูกถูกพละมานธรรมกรแสนสาหัสจนตายแล้วก็เกิดใหม่ทันทีตายแล้วก็เกิดใหม่ทันทีในนรกนั้น นานแสนนานไม่รู้กี่หมื่นปีกี่ล้านปีแสนสาหัสเพราะกายในมันไม่ดับมันก็ถูกพิาพากษาไปถากสาลงโทษและไปถูกลงไปถูกลงโทษตายนี่แน่เราจรึงต้องมอพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายเราเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรา มันเป็นมาจับสเปิร์มกับไข่สเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่ที่เป็นธาตุสเปิร์มเปของพ่อเป็นธาตุดินไข่อของแม่เป็นธาตุน้ําแล้วแม่ก็หายใจเอาธาตุลมแล้วเอาธาตุไฟเข้าไปแล้วก็กินสารอาหารเข้าไปอีกกินซากพืชซับสั์ที่ตายตายก็ไปให้เราดูดเอาน้ําเลือดน้ำเหลืองไปเลี้ยงให้มันพองขึ้นมา เรามันคือจิตหรือวิญญาณหรือธาตุรู้ที่มันมีสภาพเป็นความว่างแต่มีความรู้ได้ว่างไม่ใช่ความรู้สึกว่างเป็นความไม่มีตัวตนเลยเหมือนดั่งอากาศเหมือนดั่งอวกาศนี่แหละซึ่งไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยมีแต่รู้แต่รู้ก็ไม่มีตัวตนของผู้รู้สึกอีกเนี่ยมันเลยยากที่เข้าใจได้ว่าความว่างเปล่ามันรู้ได้อย่างไงแต่พระเจ้าคนพบแล้วมาเอามาบอกเอามาเปิดเผยจึงสามารถรับรู้ได้ว่ามันมีธาตุนี้อยู่คือ ธาตุที่มาเข้าผสมกับธาตุดินน้ําลมไฟเนี่ยที่มันมาปรุงแต่งันในโลกนี้แล้วมันก็เกิดเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ซึ่งเป็นน า, นามประหารขึ้นมาทีหลังเ <Alo an> มื่อมีธาตุดินน้ํำลมไฟแล้วก็มีธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุมาเข้าผสมแล้วแล้วก็พอเริ่มมีโตขึ้นโตขึ้ น, นมีระบบประสาทระบสมองระบบต่างๆในร่างกายแล้ว นามขันคือความรู้สึกในกิจอารมณ์ก็เกิดขึ้นเพราะมีระบบสมองระบบความจําระบบอะไรเกิดขึ้นแล้วแล้วโตก็ค่อยๆโตขึ้นมามีรูปร่างงอกออกมาตัวเหมือนเท่าจิ้งเหลนเนี่ยค่อยๆงอกเป็นมือเป็นนิ้วเป็นขาเป็นอะไรค่อยๆงอกเหมือนตัวจิ้งเหลนค่อยๆมีแขนมีขาโผล่มาเหมือนเป็นขาจิ้งเหลนเหมือนตัวจิ้งเหลนเนี่ยงอกออกมางอกออกม า, กมาแล้วก็ แม่ก็กินซากพืชซากสาัตว์ซากศพเน่าเเนี่ยซากศพเนี่ยมันยังไม่เน่าซากศพที่ตายของสัตว์ตา่างๆเนี่ยให้เราดูดน้ำเลือดน้าเหลืองเข้าไปกินในรกเราดู ด, ดน้เนื้อไปได้ที่ไหเนื้อซากสัตว์อะเราก็ดูดเข้าไปแค่น้าเลือดน้าเหลืองนี่พองพเข้ามาเนี่ยไอ้ร่างกายเราคือน้ำเนี่ยไอ้น้ำเลือดน้าเหลืองซากพืชซากสาัตว์ทั้งนั้นที่กินเข้าไปนะาเนี่ยมเ้ากินมากี่ศพดูิกลางวันกินมากี่ศพตอนเย็นกินมากี่ศพเอ้ยแล้วก็บอกว่าตัวเราได้ยังไง ไอ้สัตว์ทั้งหลายมันทวงคืนได้ว่าของครูทั้งนั้นเนี่ยไอ้ไอ้ร่างที่มึงนั่งอยู่เนี่ยคือของตัวกูทั้งนั้นของกูวิญญาณกูทั้งนั้นสร้างสรางร่างของกูทั้งหมดเลยที่ประกอบขึ้นมาพ่องปกผองผ่องผองมาเป็นรูปร่างของของมึงเนี่ยไม่ใช่ของกูแล้วไม่ใช่ของมึงเลยของคูทั้งนั้นไอ้ร่างมึงที่ปกผองผ่องมาเนี่ยคือคือร่างกายของกูทั้งนั้นคือน้าเลือดน้ําเลืองของกูทั้งนั้นที่มึงผองขึ้นมาเนี่ยแต่จริงเนี่ยร่างกายที่ผองผ่องเนี่ยมันบ้มา จิตหรวิญญาณหรือธาตุรู้ซึ่งเป็นความว่างเปล่าเป็นความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยเหมือนเดังอากาศธาตุเหมือนดังจักรวาลแต่มีความรู้ได้ไว้ภายในเราเข้าใจว่ามันคงจะเหมือนแบบเนี้ว่าไอ้ร่างกายพอมีร่างกายมันก็เหมือนกับห้องของห้องเนี้ยห้องที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็มันก็เหมือนกับพวกเราที่เป็นตัวเคลื่อนไหวอยู่ในห้องนี้ไอ้ส่วนธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุซึ่งเป็นความว่างเปล่าเนี่ยมันก็คือความว่างในห้องนี้เนี่ย เป็นอาการที่ว่างเปล่าในห้องนี้แต่มารู้ได้ว่าทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่อยู่ในห้องนี้มันเป็นอย่างไรและมารู้ได้ว่ามันมีร่างกายเป็นอย่างไรก็คือผนังห้องนี้แต่พอไอ้ร่างกายเนี่ยผนังห้องนี้มันแตกคือมันตายลงและไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์คือคนทุงหลายที่นั่งในห้องนี้ดับลงไป ไอ้ธาตรู้สึกเป็นความว่างในห้องเนี้ยซึ่งเป็นความาวาม่างไปแล้วซึ่งมันเป็นความว่างเช่นเดียวกับความว่างของอาวากาศเนี่ยมันก็เลยเมื่อไม่มีผนังห้องมันการปุ๊บมันก็เลยออกไปเป็นไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างของธรรมชาติข้างนอกซึ่งไม่มีอะไรต้องกัดมันอีกพุทโธจึงตัดกับป้าอนนท์ในหนังพุทธเจ้ามหาสัตตะดาโลกว่าอานนท์เราไม่ได้ตายแล้วเราไม่ได้เกิดแล้วเราก็ไม่ได้ตายเราหายตัวไปการไปเป็น ความว่างที่เป็นหนึ่งเดียวกับถาดน้ำถาดเราอยู่ในทุกที่ในน้ำในแสงแดดในลมที่พัดโดนตัวเจ้าในใบไม้ที่เจ้าถือในร่างกายและในจิตใจของเจ้าในแม้แต่ในสายที่เจ้าเดินด้วยเราอยู่ในทุกที่เพราะทุกที่มีความว่างเราแน่แน่ถารู้หรือความว่างนี้มีอยู่แล้วในตัวตนของทุกคนในสัตว์ทั้งหมดที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดมันมีอยู่แล้ว แต่พวกที่เป็นปุถุชนทั้งหลายที่ไม่ใช่พุทธเจ้าและพระอรหันต์นั้นมันไปยึดเอาตัวตนที่เป็นร่างกายของตัวตัวเองเนเนในแต่ละชาติและยึดเอาจิตใจที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ในแต่ละชาติยึดรูปขันนา ม, มาขันทิรูปร่างที่เปลี่ยนไปในแต่ละชาติว่าเป็นตัวตนเป็นตัวราเป็นตัวตนของเราไว้ในความรู้สึกมันเลยตายแต่กายเนื้อและมันก็นเหลือแต่กายป่องแสงภายในที่มันไม่ตายแล้วก็ถูกเขาเอาไปลงโทษนี่แน่มื่ถูกจับไปได้ แต่ถ้าเราเนี่ยเข้าถึงเราที่แท้จริงว่าเราคือใครใครคือเราที่แท้จริงเราพิจารณาให้ดีสิเรามันคือไอ้ร่างกายที่เรามานั่งฟังเรานี่ที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันมีมาแต่แรกหรือว่าเราคือวิญญาณหรือธาตุรู้หรือหรือวิญญาณธาตุที่มันมาผสมกับไอ้ดินน้ําลมไฟแล้วมันเกิดเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขึ้นมาที่หลังในในโลกนี้เมื่อมาเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราคือใครหรือใครคือเราเนี่ย เรากลับไปไอ้รูปร่างที่มันผสมเสร็จเป็นเราซะเราเลยสร้างความรู้สึกที่ผิดๆไว้ในใจเราว่าเราคือตัวเราที่มีรูปร่างแบบนี้พอตายแล้วมันก็เลยตายแต่ ก, กายเนื้อไอ้กายในที่รูปร่างโปงแสงเหมือนตัวเรามันเลยไม่ดับเพราะว่ามันไปสร้างความรู้สึกที่เป็นตัวเราไว้ไปยึดเอาตัวเราไว้ที่เป็นมีส่วนที่เป็นรูปร่างเป็นความรู้สึกและคิดอารมณ์เป็นเรามันก็เลยความทุกข์ก็ไม่สิ้นไปด้วยแต่พระเจ้าบ้านหลานทั้งหลายท่าน ไม่ยึดเส็จแล้วในสังขารคือร่างกายตนและฝ่ายนามขันคือความรู้สึกมึนเกิดอารมณ์ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเหมือนอย่างที่เราอธิบายมาแล้วตั้งแต่แรก ว, วิธีการปฏิบัติที่ปล่อยวางไปทีละอย่างละอย่างปล่อยวางร่างกายสังขารไปก่อนแล้วก็ปล่อยวางนามขันไปทีหลังมันก็ผลจากรูปขันนามขันตายแล้วก็ไอ้รูปที่โปร่งแสงไอ้ร่างกายที่เป็นกายหยาบ ก, ก็ดับเมื่อไม่ยึดเอาเอง ร่างกายที่มีรูปร่างเมื่อตัวเราเป็นตัวเป็น ต, ตนแล้วคือไม่ยึดเอานามาขันที่เป็นความรู้สึกมันคิดอารมณ์ด้วยคือไม่ยึดกายแท้ไม่ยึดจิตด้วยที่เป็นแสดงความรู้สึกมันคิดอารมณ์ทั้งไม่ยึดกายไม่ยึดจิตว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเราหรือตัวเราเป็นกายและจิต น, นี้ที่มานั่งฟังทำเหล่านี้มันก็เลยไปสู่ความไม่มีตัวตนยังไม่ตายเลยแต่ในใจมันเป็นความว่างอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับกองว่างของอวกาศมันไม่รู้สึกมีตัวมีตนอยู่ในใจของเรา แต่ไอ้ร่างกายก็ยังทํางานอยู่ไอ้ความรู้สึกไอ้คิดอารมณ์ก็ยังยังมีอยู่แต่ใจมันว่างเปล่าเป็นด่งอวกาศอยู่ตลอดเวลาเพราะมันไม่เปยึดเอาร่างกายกับไอ้ความรู้สึกไอ้คิดอารมณ์เป็นตัวเป็นตนของเราเป็นตัวเราแต่เราคือความไม่มีตัวตนอยู่ตลอดกาลตายแล้วเราก็เลยกลับไปสู่ความไม่มีตัวตนเหมือนพระพุทธเจ้าพระอ่านทั้งหลายที่พระธองค์ตัดว่าจิตวิญญาณของพุทธเจ้าพระอรหันต์ดับไปเหมือนด่างไฟสิ้นเชื้อ หรือดับไปเออคือดับไปเหมือนด่างเปลวไฟสิ้นเชือ้อหรือดับไปเหมือนด่างเปลวไฟเทียนที่อยู่ต่อหน้าพระองค์แล้วก็เป่าดับพึ่บไปอย่างเนี้ยหายไปไม่เหลือเป็นตัวเป็นตนให้ใครมาจับเอาไปอีกเลยนั่นแหละกรรมทั้งหลายก็ไม่สามารถให้ผลได้เพราะว่าสิน้นความเป็นตัวเป็นตนแล้วกรรมทั้งหลายก็ให้ผลไม่ได้ทั้งบุญทั้งบาปและกรรมทั้งหลายก็เป็นโมฆะ การที่จะไปเกิดอยู่ในร่างใหม่ต่อไปก็ไม่มีอีกเพราะว่ามันไม่มีกายปร่งแสงไม่มีจิตที่เป็นยึดเอาไว้มันจึงไม่สามารถไปสร้างเป็นตัวเป็นเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรอีกความหลงสินไปก็เรียกว่าวิชาดับไปกลับไปสู่ตัวตนของตัวเองก็ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนแต่กลับไปรู้แจ้งว่าแท้จริงเราคือใครใครคือเราที่อยู่ในตัวเหล่านี้กลับไปพบตัวของตัวเองแท้ซึ่งไม่ใช่ พบก็คือว่าไม่ได้พบเป็นตัวแต่พบว่าตัวเองคือผู้ไม่มีตัวตนพอตายแล้วส่วนที่เป็นรูปขารและนามาขา์จิงดับหมดสิน้นแต่ในใจมันเป็นความไม่มีตัวตนตลอดการอยู่แล้วมันจึงเป็นแต่ความไม่มีตัวตนตลอดการนั่นแหละวิธีการปฏิบัติท่านจะพิจารณาตั้งแต่รูปขารปล่อยวางรูปขารหมดสิน้นคือร่างกาย มานมามะขันแล้วก็เข้าถึงความตินความเป็นตัวตนหรือว่าท่านจะมีปัญญาแทงทะลุว่าความเป็นตัวตนไม่มีส่วนที่เป็นรูปปัน้นและนามะขันที่ปรากฏนี้เป็นสิ่งมาสร้างเอาใหม่ในในโลกมาจากสเปิร์มกับไข่เป็นตัวเริ่มต้นแล้วค่อยๆผ่ อ, องขึ้นมาผ่องขึ้นมามาสร้าง อ, อในโลกนี้หาใช่ตัวตนของเราไหมใจก็เลยไปลวาง เหลือแต่ความสิ้นความเป็นตัวตนไปในปัจจุบันปล่อยให้ขันห้าคือร่างกายแสดงอาการความรู้สึกพฤกิจอารมณ์ของมันของเขาไปตามเหตุตามผลตามปัจจัยของเขาเองไม่มีใครเข้าไปรองรับไม่มีใครเขาไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครเข้าไปไเไปสเวยตลอดกาลใครบางคนอาจจะเข้าใจตรงนี้ได้เลยแต่น้อยคนนักที่จะมีปัญญาเข้าถึงความจริงอันสูงสุดนี้ทันที แต่ถ้าสามารถที่จะเข้าถึงปัญญ า, าสูงสุดนี้ท่านก็สามารถเข้าถึงมีปัญญาเข้าถึงความจริงอสูงสุดนี้ได้ทุกคนเพราะธาตรู้หรือพุท ธ, ธะซึ่งเป็นความไม่มีตัวตนนั้นแต่มีความรู้ได้นั้นมันมีอยู่แล้วในตัวของคนทุกคนในสัตวเดรัจฉานในเป็ดในอาศุรกายในสัตว์นรกในเทวตวดาในมนุษย์ทั้งหมดในพระเจ้าในพระหลานก็มีเหมือนกันหมดแต่พระเจ้าและพระหลานทั้งหมดท่านรู้แจ้งแล้วว่า ส่วนที่เป็นรูปประคันและนามประคันนั้นไม่ใช่ตัวตนของพระองค์แต่แท้จริงพระองค์เนี่ยไม่มีตัวตนความไม่มีตัวตนในร่างกายในจิตใจที่เป็นตัวตนนั้นไม่อาจจะบังปัญญาธรรมของพระองค์ได้คือปัญญาเข้าถึงความจริงอสูงสุดของพระองค์ได้พระองค์ยืนเข้าถึงพุทธะหรือท่ารูงที่ไม่มีตัวตนปล่อยวางความหลงยึดมั่นถึงมั่นในรูปประคันและนามประคันโดยหมดสิ้น ไม่หลงหยึดบ้านหรือม้านรูปขันและนมามขันว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราต่อไปปัญญาเข้าถึงความจริงอันสูงสุดนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงมาได้ดังนั้นไม่ว่าท่านจะทําอะไรไม่ว่ากายของท่านจะทําอะไรในปัจจุบันทุกนาปัจจุบันไม่ว่าจะยืนเดินนัน่งนอ น, น, นเข้าห้องน้ำห้องส้วมดื่มกินทํากิจกรรมงานใดหรือไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนกรรมาฐานของท่านของใครของมันว่า ท่านก็ต้องรู้ในตัวของท่านนี่ว่าท่านจะหลุดพ้นจากความหลงจิตมั่นถึงมั่นในขั้นตอนไหนได้วยใจของท่านเองท่านอย่าทิ้งกรรมฐานที่ท่านชัดเจนอยู่ในใจว่าฉันจะต้องหลุดพ้นมันด้วยด้วยอย่างนี้เนะี่ยด้วยการทำอย่างนี้ด้วยเหตุอย่างนี้แล้วก็จงจดจ่ออยู่กับมันกัดติดจดจ่ออยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนไม่เลิกลา คันก็จะไม่ไหลตกลงมาถึงข้างล่างจะมีกิเลสนหามีความทุกข์แล้วค่อยๆ ย, ย้อนตั้งต้นกลับไปทำใหม่ตั้งแต่คันบริกรรมคันนนนนนคั น, อ, น, อ, น, อ, น, อ, นอะไรนะแล้วแต่ใครจะไปท่องอะไรไปทำอะไรให้ใครสติมันปักหลักไว้ให้ใจมันมันปักหลักไว้อยู่กับอะไรไปถึงคั้นเริ่มต้นหนูขึ้นมาใหม่แล้วมาคั้นฝึกตัวอยู่ไหนใจอยู่นัานทาอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้น ตัวอยู่นี่จะอยู่นี่ตัวอะไรถัดตัวกายทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่ไหนจะอยู่นั่นกายทําอะไรใจอยู่สิ่งนั <ast> <rabbit> ้นตัวอยู่นี่จะอยู่นี่กายทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นกับกายก็ทําต่อสิ่งนั้นไปด้วยคือกายกับใจเป็นไปในทางเดียวกันตลอดเวลาไม่เพ้อไฝลปล่อยให้มันหลุดลอยล่องไปโดยไม่มีสติควบคุมก็เป็นอีกขั้นหนึ่งเป็นขั้นที่ขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ใช่เป็นขั้นที่พ้นทุกขั้นที่พ้นทุกข์ก็ในขั้นของปัญญานี่ ที่เราได้กล่าวไวแล้วทั้งหมดเป็นลำดับมาท่านจะพ้นทุกข์ด้ปัญญาที่เข้าถึงความจริงอันสูงสุดเลยก็ได้หรือจะปัญญาที่ท่านจะพิญารณามาตั้งแต่แรกก็ได้แต่ถ้าต้องทํามันสักอย่างหนึง่งในตัวของท่านเองในทุกขนาปัจจุบันแล้วท่านอยจะทิ้งกรรมฐานในขั้นของท่านไปในทุกขนาปัจจุบันท่านก็จะไม่ไหลเลื่อนตกจากต้นตาทรภาพกาเข้ามาถึงคนต้องเริ่มต้นใหม่เรื่อยไปเมื่อท่านหมดแรง หมกำลังที่จะทะลุในขั้นของท่านไปได้ถ้าจะจงเกาะต้นมาพามันไว้ให้แน่นหรือเกาะต้นตาลไว้ให้แน่นจะปล่อยให้หลมาถึงโคนท่านก็หาอุบายในแง่มุมต่างๆในขั้นปัญญาของท่านแต่ท่านหาอุบายในตัวตนของท่านไม่ได้ท่านก็จะต้องช่วยแค่หาคนช่วยท่านกาลยารมิตหรือพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ช่วยท่านแล้วท่านก็นําไปปฏิบัติในขั้นกรรมฐานของท่าน ถ้าอย่างนี้ท่านก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้นทุกวันเส้นทางเดินมีอยู่แล้วชัดเจนเหลือแต่ผู้เดินทางเท่านั้นเหมือนกับแผนที่มันชัดเจนอยู่แล้วในในสมองในใจของท่านเหมือนกับท่านเดินทางจากกรุงเทพมาปฏิบัติธรรมถึงที่นี่ระยะทางต้องเกือบสามร้อยกิโลเมตรมั้งเกินกว่าสาม้อยกิโลเมตรเต็มไปได้รถก็ติดหนักด้วย แต่ท่านยังอุตส่าห์เดินทางมาถึงนี้โดยที่ท่านไม่หลงทางเพราะตลอดเวลาที่ท่านเริ่มเดินทางจากกรุงเทพมาจนถึงปากช่องนี้ท่านมีแผนที่การเดินทางอยู่ในสมองอยู่ในใจของท่านแล้วท่านก็นเดินทางแนวมาตามแผนที่ตามสมองและตามใจที่ในใจของท่านที่มอยู่ในใจของท่านท่านก็ไม่หลงทางไม่ผิดทางเพราะท่านมีแผนที่การเดินทางอยู่ในใจของท่าน แต่ละคนต้องมีแผนที่การเดินทางอยู่ในใจของตัวเองแล้วก็ลงมือเดินทางท่านก็มาถึงที่นี่ได้ดนั้นสิ่งที่เราบอกทั้งหมดเนี่ยที่เราเพียรที่จะอธิบายมาทุกวันนั้นเป็นเพียงแผนที่เฉยๆแผนที่การเดินทางที่ชัดเจนเพื่อให้ท่านเดินทางแต่ผู้เดินทางต้องเป็นของท่านท่านต้องจำแผนที่นี้ไว้ให้แม่นในใจของท่านแล้วท่านก็เพียรเดินทาง ตามแผนที่นั้นด้วยใจของท่านเองใครจะมีปัญญามากน้อยก็แล้วแต่ถึงช้าถึงเร็วก็อยู่ที่รถแต่ละคันคุณภาพไม่เท่ากันอยู่ที่กำลังของคนขับอยู่ที่กำลังของเครื่องยนต์อยู่ที่จังหวะในการเดินทางของชีวิตเช่นรถติดมากมาช่วงที่รถติดน้อย ช่วงทมารถติดมากคืออะไรคือท่านทําบาปกรรมออมากเจ้ากรรมในเวรของท่านก็มาขัดขวางของท่านทุกระยะเส้นทางทําให้ท่านเดินทางติดกึกกักกักกึกกักกัไม่เหมือนคนอื่นเขาเริ่มเดินทางจังหวะพอดีที่มันรถไม่ติดเขาก็มาเร็วเออแต่ท่านบาปกรรมเก่าก็ไม่ละบาปกรรมใหม่ก็ไม่ละแบบเนี้ยมันก็บรถติดทุกเส้นทา ง, ทางละ เดินทางคือกึกกักคือกึกคนอื่นเขาวิ่งจิ้วแต่เราไปออกมาในช่วงจังหวะที่รถติดมันก็เลยแม้แต่เส้นทางมันชัดเจนอยู่ในใจแล้วโอ้ยเราชัดชัดมากเลยแม่ลงตาพูดเนี่ยโอ้โหมันชัดมากแล้เส้นทางนี่มันปิ้งละแต่มันเดินทางตอนช่วงรถติดนี่มันแหมกังเวทํามากเราจึงบอกว่าท่านต้องสำนึกถึงโทษบาปกรรมนั้นนะ โทษบาป ก, กรรมที่ทำผิดม า, าผิดศีลผิดธรรมมาทางกายวาจาใจมาทุกพบทุกชาติจะถึงในชาติเกันในชาติปัจจุบันนี้จะถึงเวลานี้นต้องต้องนึกผิดด้วยใจของท่านเองอีกแล้วก็ตั้งต้นใหม่จะละบาปบำเพ็ญบุญคือจะปฏิบัติคิดดีพูดดีทดําดีให้มันแน่วแ น, วแน่ตามครูบาอาจารย์สอนนี่เส้นทางที่มันเป็นทางแห่งความเสื่อมเราก็ไม่เดินเราจะเดินในเส้นทางแห่งความจเจริญ น, นับแต่นี้เป็นต้นไป เมื่อละบาปบำเพ็ญบุญแล้วึเดินอยู่ในเส้นทางที่จเจริญมันก็เริ่มเดินทางแล้วแผนที่มันแน่วในใจแล้วนี่แล้วเราก็าบุญกุศลที่เราทําเนี่ยละบาปบำเพ็ญบุญเนี่ยแล้วก็ฝึกฝนจิตใจเดินทางแนวตามที่พระพุทธองค์ได้วางไว้เนี่ยเราก็เอาบุญกุศลเนี่ยแผ่อุทิศส่วนบุญให้เจ้ากรรมนายเวรขอให้เปิดทางเปิดทางเปิดทางพันธิพานเปิดทา ง, ทา ง, ทา ง, ทางพนันธิพานให้เราเดินทางมาให้รถกีมันติดติกััดเนี่ยให้มันไหลเลื่อน ให้มันไหลลื่นอย่าติดติดกันกักึ๊กกกักให้มันไหลลื่นไปรถเราก็ไหลลื่นมาถึงที่นี้ได้รถเร็วถ้าไหมเจ้ากรรมในเวรเปิดทางหมดนะเนี่ยมันก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยอยู่เป็นกันอันเอาจะจะเลือกเส้นทางที่เลือกเส้นทางที่ถูกต้องแล้วก็ต้องละทางเดินที่เป็นทางแห่งความเสื่อมไปสู่ทางเดินที่เป็นทางแห่งความจเจริญแล้วยังต้องกุศลกุศลให้เจ้ากรรมในเบริบ่อยๆแล้วก็ยังต้องสำนึกผิด สิ่งโทษบาป ก, กรรมนั้นแล้วจะใครมีพิธิมานะมีความเห็นอความเห็นผิดความแข็งกระด้างอยู่ในใจตนก็ต้องละออกให้หมดแล้วก็น้อมนําหลักธรรมคาสอนไปประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนเดินทางไปให้มันแน่วไปอย่างนั้นแ่ละมันก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้แต่แท้จริงเนี่ยมันเป็นเพียงคําสมมติว่ามีทางและผู้เดินทาง แต่แท้จริงแล้วเส้นทางทั้งหมดความทุกข์ทั้งหมดความทุกข์ก็เกิดที่ใจปัญญาที่จะบรรทุกก็เกิดที่ใจของตนเองนั่นแหละไม่มีทางทางและไม่มีทางผู้เดินทางใจทุกอย่างก็ว่างเปล่าลงในปัจจุบันตนที้ว่างเปล่าไม่ใช่เป็นเอาตัวเราไปทำความ ร, รู้สึกว่าง ว่างเปล่าจากความหลงยึดมั่นถือมั่นร่างกายตนว่างเปล่าจากความหลงยึดมั่นถือมั่นในจิตใจที่เป็นความรู้สึกหรกคิดอารมณ์คือว่างเปล่าจากความหลงยึดมั่นถือมั่นในในรูปประคันนามประคันจะหมดสิ้นมันก็กลายเป็นความว่างเปล่าขึ้นในเดียวกับธรรมชาติโดยอัตโนมัตินะไม่ใช่เราไปทําความรู้สึกให้ว่างคือขณะจิตใจที่เราว่างเปล่า โดยสิ้นเชิงจากความหลงคิดมั่นถือมั่นในร่างในร่างกายในรูปประคันและในนามประคันมันก็จะกลายเป็นความว่างเปล่าที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติของพุทธะโดยอัตโนมัติทันทีไม่ใช่เราเริ่มต้นมักง่ายทําความรู้สึกมันว่างไปเลยโดยทันทีอันนี้มันมักง่ายทำผิดมันยึดถือไม่ใช่ปฏิบัติกันแบบนี้เยอะเออ มันจะว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นพุทธะได้นั้นมันจะต้องสิ้นความหลงจิตมั่นในร่างกายตนสิ้นความหลงจิตมั่นในรูปขันและนามขันเป็นหมดสิ้นในขณะจิตใจขณะจิตหนึ่งมันก็จะกลายเป็นถาดว่างหรือเป็นพุทธะโดยอัตโนมัติต้นแนวอวิชามันก็เลยดับไปเออาวิชาคือความหลงมันดับไปเมื่อความหลงมันดับไปแล้วใ้ร่างกายที่เป็น ตายได้ร่างกายอยาบเอกกายปรุงแต่งมันกระดับสิน้นกิจการเป็นความว่างอะไรมันก็ติดอยู่ในความว่างไม่ได้แล้วทั้งบุญต้องบาปทั้งความทุกข์ทั้งหนายก็หมดสิ้นไปการเวียนว่ายตายเกิดก็หมดสิ้นไปสมนองที่พระองค์ตรัสรู้ในยามที่สามในปฏิจจมุับาทว่าการเวียนว่ายตายเกิดและความทุกข์ทั้งมวลก็มาจากเอาวิชาเป็นเหตุอาวิชาเป็นต้นเหตุเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยจึงทําให้เกิดสังขารคือการผสมกันขึ้นมาการปรุงแต่งขึ้นมาได้ เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดทําให้เกิดวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณมาเข้าผสมได้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงทําให้เกิดนามลูกนี่ไงนามลูกป็นเพิ่งจะเกิดมาที่หลังเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงทําให้เกิดนามลูกเพราะนามรูกเป็นปัจจัยจึงทําให้เกิดสลายตะนะคือตาหูจ shades, มูกลิ้นกายใจขึ้นมาเพราะว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงทําให้เกิดเนีผัสสะคือการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสการรับรู้ทางใจ เพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงทำให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยทําให้เกิดตัณหานี่ไงตัณหากระทบในสิ่งที่ถูกใจก็หลงกระทบในสิ่งที่ไม่ถูกใจก็เกลียดติดรักติดชังหลงรักหลงชังเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงทําให้เกิดอุปทานคือความหลงจิตมั่นถือมัน่นเหนียวแน่นกันไปเรื่อยๆอุปทานเป็นปัจจัยจึงทําให้เกิดพบพบจัดใจจึงทําให้เกิดชาติมันสร้างพบชาติไว้ในใจก่อนแล้วว่าจะไปเป็นอะไรแล้วตายแล้วก็จะเป็นสิ่งนั้นจริงๆ พบเป็นปัจจัยทําให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยทําให้เกิดเอทําให้เกิดชรามรรณะคือความแก่ความเจ็บความตายโสกกาปริเทวตุกะโทมณอุปายาสาเกิดความอะไรเนี่ยโสกกาปริเทวตุกะโทมณตุปายยาสาปิทุกขาเนี่ยคือมีความทุกข์โศกเศร้าเสียใจความขับแค้นใจประกอบกับเราอยู่ตลอดเวลาทุกชาติไปเพราะอวิชชาเป็น ต้นเหตุนะเป็นต้นเรื่องเนี่ยเพราะอวิชชาดับเนี่ยอวิชชาอะไรคือความหลงยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้รูปประคันนี้และจิตใจซึ่งเป็นนามาขันนี้คือความรู้สึกนเมตตาอารมว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นคงปล่อยให้ร่างกายซึ่งเป็นรูปประคันและนามาขันเขาแสดงกิริยาของเขาไปตามเหตุตามจิตใจของเขาไม่มีใครเขาไปเสวยไม่มีใครเขาไปลองรับไม่มีใครเขาไปยึดมั่นถือมั่น เมื่อสิ้นภูส่วยใจก็ว่างเปล่าสิ้นจากกิเลสและสิ้นจากความทุกข์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ว่านี่ไะที่เขาเรียกว่านิพพานหรือพระอรหันต์เนี่ยนำไปพื้นพืทิปฏิบัติกันนะเราก็ทุ่มเทให้กับท่านเป็นการตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรร ม, มคุณประสงค์คุณบิดามารดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่เมตตาช่เจลือเกื้อกูลเรามาคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดออกมาให้ได้มาพบพุทธศาสนาให้นำมาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้รู้ธรรมเห็นธรรมการตอบแทนคุณพระพุทธธรรมประสงค์การตอบแทนคุณบิดามารดาการตอบแทนคุณครูบาอาจารย์ที่สูงที่สุดไม่ใช่เพียงแค่เจ็ดขี้เจ็ดเยี่ยวให้ใหพ่อแม่เท่านั้นไอ้สิ่งนั้นต้องทำอยู่แล้ว การตอบแทนคุณสูงสุดต้องเป็นประพฤติปฏิบัติตัวเราให้เป็นธรรมให้ได้ให้เป็นธรรมคือสิ้นความคิดมั่นถือมั่นให้ได้นั่นแหละคือการตอบแทนคุณสูงสุดที่ท่านทุ่มเทให้แก่เราให้กําเนิดเรามาให้นําไปประพฤติปฏิบัตินะนี่นี่ยเป็นการตอบแทนคุณของพ่อพุทคุณกุล่าทําคุณกประสงค์คุณกอมพ่อแม่ คนของครูบาอาจารย์ในการตอบแทนคุณฑรสงสุดแหละให้เล่งนําไปเพื่ิปฏิบัติแต่ละท่านทุ่มเทให้จนท่านสิ้นอายุขัยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากพุะเถรองก็ทุ่มเทให้จนสุดกําลังของพระ อ, องค์เนี่ยก็ดับกาบรปฏิทินิพานไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านก็ทุ่มเทให้จนสุดกําลังความสามารถแล้วก็ดับขันไปนิพผ่านไป เราก็เจริ่มอยตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยต่อนพุทธธรรมปร ะ, ระสงค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่เห็นแกเ่กเหนื่อยนะเราก็ทุ่มเทให้แก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ทุ่มเทให้แก่นมนุษย์อย่างเดียวเทพเทวดาอินทรีย์ยมยั ก, กษ์นาคุนขุนธารสรรพสัตว์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประหาเป็นจอกรกลกายสัตว์นรกตั้งอามนุษย์และมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่พบภูมิใดไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเพียงใดที่เขาไม่มีโอกาสมาฟังทำได้ หรือทันที่มาฟังทำได้ทั้งหมดก็ได้เกิดกุลทั้งหมดได้เมตตาทั้งหมดเมตตาให้แก่ท่านา้ทั้งนั้นทั้งหมดไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะได้มีโอกาสมาฟังทำหรือไม่ได้มาฟังทำเมื่อเราได้แสดงธรรมในแต่ละในแต่ละที่แต่ละโอกาสทุกครั้งไม่ว่าทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตจนกว่าธาตุฐานเราจะแตกดับนั้นก็ให้ มนุษย์และไม่ใช่มนุษย์เทพเทวดาอินพรมยมยักษ์านาคุณท่านมนุษย์ทั้งหมดสัปสัตทั้งหมดที่สามารถฟังธรรมรู้ธรรมยินธรรมได้ได้มีโอกาสได้ยินธรรมได้ฟังธรรมได้มีโอกาสให้ธรรมนั้นเข้าถึงจิตถึงใจของทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเพียงใดได้ตลอดเวลาโดย อ, อัตโนมัติเราจึงเมตตาทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ ไกลหรือใกล้เพียงใดไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเพียงใดก็ให้จนหมดให้จนหมดหัวใจเกื้อกูลทั้งโลกเกื้อกูลทั้งมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์พระท่นทั้งหลายก่อตัวอย่างไปทําตนได้เป็นประโยชน์ทั้งโลกตมวนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนใต้เปี่ยนไหวได้เกิดต้องอาไปเป็นตัวอย่างเอาไปทําประโยชน์อย่ามัวเลวไหล วุ่วายแต่เรื่องของตัวเองวุ่วายแต่เรื่องทุกข์วุ่วายแต่เรื่องอครับคลองใจแต่ในเรื่องส่วนตัวไม่ได้พาตนทําประโยชน์ตนให้พนทุกข์ไม่ได้ทําประโยชน์ตัน้นไม่ได้ทำประโยชน์ต่อโลกไม่ได้ทําประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ต่งางๆที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอย่าทําเป็นคนเสียเปล่านะให้ทําตนให้มีประโยชน์นะ เกิดมาแล้วทําตนี้มีประโยชน์โอกาสเราจะกลับมาเป็นคนอีกถ้าไม่มีนะอยากที่สุดในโลกเพราะั้นเกิดมาแล้วเป็นคนแล้วพบศาสนาแล้วผู้สอนธรรมก็มีแล้วโอ้ยครบสามสิ่งนี้มันจะมีโอกาสอีกไหมเนี่ยในชีวิตเราที่จะเกิดเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเกิดเป็นคนก็เกิดแล้วเกิดมาในประเทศชาติที่มีวุฒิศาสนา ก, ก็มีแล้วยังได้มาพบ ครูบาอาจารย์ที่สอนทําอีกเพื่อไห้คนทุกข์ก็มีแล้วหลักธรรมคาสอนของเจ้าก็ยังปรากฏอยู่นี่ถ่ายทอดผ่านจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งผ่านจากครูบาอาจารย์ไปไปยังเราเราก็ต้องเอาไปพึกปฏิบัติเพื่ออย่างถ่ายทอดไปยังคนอื่นๆต่อไปนั่นแหละันอย่าโมตหรวุ่นวายในเรื่องส่วนตัวจนลืมตัวเอง มันคนจับทุกข์ลืมโลกลืมผู้อื่นท่านทุ่มเทมาแล้วเราก็ทุ่มเทต่อไปทุ่มเททำประโยชน์ตนให้คนทุกข์ทำประโยชน์ท่านถ้ามันสมควาที่เกิดมานะตายไปแล้วโอกาสจะกลับมาเกิดเป็นนี้ยากมากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้จะมีตะกี้คนที่มาเกิดในพุทธศาสนาเกิดแล้วในพุทธศาสนาจะมีตะกี้คนที่มีครูบาอาจารย์สอนในคนทุกข์ แม้แต่ครบสามอย่างนั้นแล้วแล้วจะมีสักกี่คนที่นําไปปฏิบัติให้ตัวเองพ้นทุกได้ในปัจจุบันนี่มันยากไปหมดแหละเราจะมีโอกาสไหมอะในชาติต่อๆไปนับแต่นี้มันจะมีโอกาสอย่างนี้ไหมนี่แน่มันน่า ก, กลัวหล่าสำหรับผู้ที่ประมาทอยู่ที่ยังดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทมันน่ากลัวมากแล้วที่ท่านจะกลับมาอย่างนี้อีกมันแทบไม่มีโอกาสแล้วพผมพุทธเจ้าสั่งว่ายากที่สุดในโลกแล้ว ถ้าท่านปล่อยให้มันทิ้งไปทิ้งกว้างไปมีความเป็นอยู่ด้วยความประมาทน่าเสียดายอย่างที่สุดและน่าเสียดายนอะนำไปพืชปฏิบัติกันข้ามมาอยู่ที่นี่ท่านทั้งหลายตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติเราก็อนุโมทนาด้วยกับทุกท่านผู้สาสลักเวลาตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติเพื่อสู่ความพ้นทุกมาฟังธรรมตั้งใจมือปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกทั้งหลาย ขออำนาจลนลูภาหให้สุวรรณจากพระพุทธพระทรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์บุญบา ร, รมีที่ทุกท่านได้กระทามาแล้วทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กดีเทพเทวดาอินพรมยมยักษ์นาคกุคนท่านต่ประสริทั้งหลายก็ดีทั้งหมดทั้งที่มาฟังธรรมแล้วแไม่ได้มาฟังธรรมจงโลดระเบิดชะพ ร, ะราปใจธบรมดานให้ทุกๆท่านจงมีความสุขคนจากทุกคนจากความทุกข์ยากลําบากทางกายทางใจ ก็หกมมกให้ได้ีโอกาสดูธรรมเห็นธรรม็รรู้ธรรมสมความมุมาปัฒนาใ่การทหมดทุกทท่านเธอ